ว่บอกฝันไหวสก็นียควบมุงไม้เสมอกันหมดแม่นสิบแป่าว่าเป็นก็ได้แม่นสิบโูงจักภาษากันก็ได้คนละสัตว์คนละผ้าสากระซ่างคนละสัตว์คนละวันหนักก็ได้คือควมสงไม่ควมประสงค์อันเดียวกันคือหักสุขเกียร์ถุกไปถามไพก็ต้องตอบอันเดียวกันไพ่เสียกได้ทุกยักคน มิถุนภักดุกมดทุกคนทุกคนซัดทั้งหลายก็ดีบักบบงเกียด์ทา้งยางไปมันยากไปทาอันตรายมันย่ากไปเพชรทุกข์ขัดขมันหมอนโตลงหน่ำบึบบึบบึบบ่นกนู้กูปีกเพิ่มไปคว่ำลังเกียดทุกข์หักสุกนี่เสมอกไปมดพูดถือศาสนาหรือพ่ดถือศาสนาก็ตาม โ่สิเห็ดถือหรือบ่เห็ดถือกระช่างตะค่วงปลาถนะสุป ข, ขังมีอยู่เข้ามาทุกๆนีน่แต่ซื้อมันของพ่อจากแรนนี้คนมาจักสีด้านนี้ไปสายหลังว่าของพ่อพ่อใจเอรโอยเข้ามาทุกเข้ามาสุขของพ่อใจอโรอจอโลดแมนทีได้เพราอไรก็ตามแล้ยนินงจซื้อก็นาเรียมใสเหมือนจะของซื้อเ่าได้ักเท้อกรช่าง ในยินจะซื้อกับนาเดือมใสกันน่ายินดีผ่านใสุขและทุกงานไผ่หาเกง่งกพระพุทธเจา้าว่ามีคําสอนในแต่หัวข้อเลยของพระพุทธเจา้าแต่รัตย่าใดๆก็ตามจะเป็นเมืองถึงคาสอนของพุทธเจา้าวัดทําคําสอนของพระพุทธเจา้าแต่ละวัดละบาทเป็นท่ามไปสู้แห่งทุกเม็ดไปสู้แห่งทุกเม็ด ผู้ปฏิบัติหน่อยก็ะเด็ตามน่อยผู้ปฏิบัติลายกระด้ตามลายผู้ปฏิบัติปฏิบัติยิ่งๆได้ไอ้ี่เขาสู้พันิพานแว่นช่องทางเขาใส่แว่นมาได้ใส่มาช่องทางอีกแว่นดวงใจเขาใส่ไว้ดวงใจมาอีกเพื่อนตรงใจคนนี้แหวนช่องทางกนนี้กับคำสอนของพระเจ้าของเห่าของเก่าหะมหาเสน่ห์มหาเนื้อเงี่ยงของคำสอนพองพระเจ้าของเห่าของเก่านหะ พระดิเศษดีเศเก่งวันไหนก็ให้มันเทศไปเถอะเพื่เล่มกลาพระเจ้าเ้ากันละกระทั่งสรพยัญชนะเกวลปริปุลนั่งปริุทธทั้งพมจาริยางประกาศเจตวันทีุ่ดวันบี่บทั้งอาาพยัญชนะสินเชิงเลยสามหางพระวันต่างอวิปุตตามิาสมหางพรวันต่งสีานามามจังไ่ย่อมไหวมันเทศสันานั่งอทิสัานั่งปริโสยะปริ ไพเราะในบองสนไพเลาะในทากลางไพ่เราะในชุดชายไพเราะในบางส่วนช่วยังคือศีลไพเลาะในทางกลางคือสมาธิไพเราะในทางชุดายคือปัญญาไพเราะในบองส่วนคือยังพระชวาราบานในบางกลางคือยังพระเาพราหมข้ามีอนาข้ามมีเรื่องชุดชายยังไพเราะในพลังงานอันจะเอาสิบห่อทั้งโลกกุศละน้องสั่เขาพูดได้เจ่าองเลาองเาะองเลาะองเองค์องเลามากมาเพศค่ำกันเดียวค่ำอันเดียวกันมื้ ภาะพ谢谢ุทธเจ้าเป็นทั้งการบานเป็นทั้งการเมื่องเป็นทั้งการเท้บุษเท้าด่าอินพุ่มพยมพระการเี้ากระโดดกระบาดนั่นคือแม่เมดเอาโหลดจึงส่งมาสัมมาสัมพุทธสยามผู้เป็นผู้ตัศรุเอกโดยชอบสัมมาสัมพุทธโชติผู้ตัศรูเองโดยชอบโลกภวิทูเป็นผู้หลุดแก่โลก ศาสนอื่นว่าจะส่งพระน้ามาลกูกเขาไปทู่เลยวาตามะเพราะมันปะมาพายายามไม่พูดถามมันจนเกาะ อ, อันนี้พระองค์เจ้าสิหาท่าน ท, าท่านเตเจบริษี่ซาสวิซาและท่าพระไม่จะต่างเพราะว่าเจเจอาจฐานต่อประชุมส้นว่ามีท่านจนมุมคุณได้ฝืนก็นเห็นโทษอีิรินี่คุณได้ทำดีนั่มก็เห็นคุณอีิรินี่ กัมและผลของกัมมันน้ำยุอีธานมันไม่จบกระเสียนฝนหัวคือคนไม้คนมูคนผักคนพวกใ น, นหลูกในสงสารเะครนี่อันนี้มันกะแต่งขึ้นตามยุคตามข้าวของรางมมณตีอันนี้มันถึงมากสะท้อนออกอันนี้มันย้อนมากสะเพิ่มเขาคํ า, าสอนของฟุตเจ้านี่บอ่อพระองค์เจ้ามากสุดใดสุดใดจะป่างไรผืนแต่ลอกใดผืนก็มากควบเดียวกันเมือ่อ พี่พ่อไอ้แม่เคยบ่มีคำแซงกันใช่เลย้ยยังว่าของกิ่งว่นนี้จักของกิ่งไงคือไอสิโยเนียของกิ่งวะไ้ต้องอยึดแต่อำนาจของกิ่งเหตุทั้งศาสนาพุทธเจ้าจ้องเข้าโลกทมเมื่ อ, อนในใได้ไดบบตื่นไปใช้เรื่องํำสอนในไตโลกทานุบาลัดยาอะไรได้ก็เมตื่นไปใช้เื่อมันเป็นแม่บาลัดาพองแห้งเลยเป็นแม่ศาสนาพ่อแห้งเเป็นแม่บดแม่บาทของศาสนาพ่อแห้งเยอย น้ำหอยน้องข้องบึงบางเมื่อไรลงสู่มหาสมุทรทะเลคำสอนต่างๆหน้าหน้าอะไรลูกศรคำสอนประพฤติพระทัประสงค์หมดเรื่มกางเพื่อนทั้งนั้นเพ่อนบอกก่อนแล้วเมื่อแล้วพวกนั้นทิกเก่งทางวัตถุนิยมอะไรก็สร้างพระพุทธเจ้าก็ว่าทางวัตถุนิยมเราของจักวัดวัไซเราบองจักแต่มันอยู่ใต้อานาจอันนี้จังเราจึงบม่ได้ออกมาสอนลายไม่ใช่เราไม่รู้ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์มนุษศาสตร์เองเรางจักัด ว่ามันเล่าจนมุมเราเห็นว่ามันมันบ่นเป็นนิย่านี้กระท่ำน้ำสัตออกจากวัจจาศงสาน ร, ร้ายเราจมวัวในนาำออกมาสอนเยอะนี่เราสอนสั่นทั้งร้ายบริบูรณ์หมดแล้วพู้สามารถถึงพระสวดาบันกามีแล้วผู้สามารถถึงพระเจ้าคตาขามีก็มีแล้วผู้สามารถถึงพระอรหันต์กามีแล้วว่ามันเปลี่ยนแต่ห้าผู้เดียวพยาญานาฏกามีเต็มโลกแล้วซาลิมุตโมกข้างน่าก็เป็นพาญานาฏอ่ะ คันว่าสิว่าศาสนาเขาเป็นโมฆะกระาดาพวกนั่งพิชซุนีนั่งชิกามาน่าสัมเน็นลี่คนสันต์ต่ำสันสูงเบอร์ได้ว่าธรรมะของเราคนจา ก, กี่เหล่ดใดทั้งนั้นผู้ได้ปฏิบัติอุปมาคือเกลือเมื่อนิยมสันวันะผู้ได้ไปกริบประเข้มทั้งนั้นอุปมาคือไฟเมื่อนิยมสันวันะผู้ได้ไปจับกัดจองหอนทั้งนั้นเป็นของจร่งยุทุโยกทุกสมยัยใช่แล้ว พระโพธเจ้าทุกๆพระองค์ลงมาเอ่ยแต่ละยุกละหยุกก็ไมีไปเสียงเดียวขันวัดว่าไม่กัดว่ามีขอไม่แกันว่าไม่พักคัดขาดไม่พักอนุโมทนาให้ว่างกันครับมันถือเลยเพรา่เอาอนุโมทนามันก็บไฟตรอดมันขันลำเอียงกันก็เลยอนุโมทนาหนํากันหมดได้ถือหนังกันหมดไม่ได้แซงกันเมื่อใดว่าพระเขาพูดแซงโทษโคน้าค้ามโนข้าสปูโคตโนอริยะเมตตายโย วันมีสติปัญญาทอขาไปเจ้าข้าไปเจ้านี่จึงแต่ฉันในอันในถ้พราะปฏิเจาทั้งหลายมือเ น, นีว้ตัดพ่อตัดแม่กันว่นนี้มีขอแม่ขอพ่ อ, อกันว่นนี้มีอ ด, ดีต่อกันโรอันเดียวกันมนนื่อแชก่นาร่างกายกับหูอันเดียวกันอธิษฐานุพยัญนนานอุทตราสตามังคลานี่นก็ดีฉาพนัน่างที่ย่านนี่นก็ดีเจตุมาล่าก็ดีถ้าสศราปาแล้วม่ตายถ้ร ป, ป่าแล้วไม่ตาก็นี ท่าาปรมีกดีาอุปปาลมีก็ดีท่าาปรมัตาปาลมีก็ดีอันเดียวกันบมดเป็นรักของศาสนาโลกด้วยศาสนาอื่นๆเสไม่โจมตีพระพุทธศาสนานั่นกับอุปมาคือกองทัพนำร่ายมวนขึ้นฟ้าทันแล้วบอกสั่หรือว่าจังสั่งควง่อนจัเหินดาน ข้อนี้คันเห่าเนี่พิกออกจาก้คำสอนพระพุทธเจ้าไปแท่นที่วัดศี้ชุกบ่ได้ดข้อที่ถ้ำควบเสืวประสดพระพุทธเจ้าคนก็บว่ได้เดือดหอดคนไม่ได้เพ่งโทษคนนี้ตอนนั้นข้าพเจ้าบอกว่าในสอนชุ้นชุ้มเนี่อุบาสกอุบาสิกาเทวบุตรเทวดาอินทพญมพระกาศตอนนี้ข้าพเจ้าบอกว่าถ้าในสอนพระพุทธเจ้าทั้งหลายวัดศีลเจ้าของวัดศีิเตียนเจ้าของ ว่าได้เอาอกเพราะว่าได้สอนว่าแหละถ้ำนี้นี่นั่ี่จเป็นศาสดาของถ่านทั้งหลายต่อไปในอนาคตเขาเลื่องใช้ในพระพุทธพระพุทมะ่อถัดว่าเขาเลือมใช้ในพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะมีคำสอนอันเดียวกันเขาเห็นพระพุทธมะเห็นคำสอนของพระพุทธพระพทมต่ถัก็ไปเห็นคำสอนของพระสีน้ำเหตสายหรือพระพุทธเจ้าที่มาในท่านน่ะหรือพระพุทธเจ้าที่รองไปแล้วเพือกัน เเป็นถ้ำอันเดียวครับเอซาธโมสซาลามโตน่ก็ทำเป็นของเก่าเลยปุ๊บเฟสูน่ะอันนั้นสุติสุทำให้สจะกงมุตตะปาที่นังมุตตะปาที่ปัญญามุตตะปาที่วเช้าตปาทอาโรโกน่ขาพเจ้าสว่างเหมือนไฟพ่งแล้วะถ้ำอันนี้เป็นถ้ำของเก่าอ่ะถ้ำมีกนแก่เาพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วเหตนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงยอมเคารบถ้ำไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายป็นพูดแต่งถ้ำ เป็นแต่เพียงภูมารี่ยงถ้าไวอันนี้ยุนี่อันนี้ยุนี่อันนี้ย่นี่อันนี้ยูนี่อันนี้่อันนี้เป็นสั้นนี่อันนี้เป็นสันนี่อันนี้เป็นสันนี่บอกก็คือของมันมมีอย่สี่ยงหม่ยังไงคนวมันมียุคอนี่วันเมื่อมันเล่าเป็นผูแถ้ำเล่าเป็นูเลี่ยงถ้าโอ้อันนี้ยุนี่วะนี่เอามาไว้นี้ว่าัตวมันมียุคอน่จังจับอะไรสนอกมัสมันมียุอี่สี่จัอไสมองชันเมื่อนั่นนพระพุทธเจ้าจึเข้าโลกถ้ำพระพ ต่ำและพ้นของต่ำของสัดทั้งหลายที่สร้างขึ้นดีชั่วเป็นซัดทั้งหลายสร้างขึ้นพระยาญงเขาบารีสามพระพุทธเจ้าเขาบไดีสามแล้วคำมูนนี้หน้าวาจะตีตโลกโกลสลโลกเป็นไปตามคำของพระ้งฝ่ายทงมันเห็นฉันข้นเกิดมาจึงมีตระกูลต่างตาหันผู้ตระกูลตั้มผู้ตระกูลชู ง, ผ, ง, ผ, งผู้พี่ปัญญาน่อยผู้พีปัญญาหลายผู้อายุสันผู้อายุเงี้ยว กระพาะพกเพศจักระตาปุญญาตาสามารถพิสิกันขันนี้คนทุกข์คนจนสามารถเป็นพระอรหันต์ได้หรือไม่ในคำของพระพุทธเจ้าพระราษฎรภาพเ่าจะเป็นคนทุกข์คนจนเกิน็ม่าบวชเมื่อบลรมีแก้กามาแล้วเพื่อทำเร็จพระอรหันต์คือกันอังคุลิมานโจนมุนเพื่อจะทำเจพระอรหันต์พระอังคุลิมานโจรนั่นขาพ้นว่าไม่เกียรตหน้านี่ถึงร่วมชั่วที่สาปรโมก ลกทิศหเียนหนังสือ น, น้ำทิศาปะโมกมีลูกทิศอยู่หาหกคนทิศาปะโมกอังคุลิม่านโจรเียนหนังสือเกงกูโมขอมับปฏิบัติกับเ ก, ง ก, กองอ่งกูโมขหาครูบาอาจารย์อังคุลิม่านโจรเหี้นนยนกับเียนในเก่งกูโมูนี่ มู่เพื่อนอยูอ่นํากันที่ลิศสัญญาอังคุลิมานโจรท่นล้ไปฟ้องอาจารย์องคุลิมาจนโจริาอาจารย์ด้ห่นเออเไปบอกมันเนี่ยขจไปเก็บไววนี้เหนก็เลึกพ่อใมั่กันพน้จเก็ปีนามาอีกลองเลี้ยงอีกอนะบเมียนบขขี้หึงเด้ ปฏิบัติอาจารย์กับบอยทอเขาเลยเรียนก็บรเรียนทอเขาเลยทั้งคนพ่อแม่เนี่่าหงจักขีดังลิงอย่าหมือเวียนเบียนตอมันองคุลิมานจวนอหงจักขีดังลิงอย่างไรมูอเวียนเบนตัือใจซืออยู่มูอสงนันว่าท่านสีดาอังคุลิมานจวนเท้าบ่าเบีเบียนเฮียนหนังสือกับอาจารย์ก็เฮียนในเกียงกงมูอท่านท่านวิชาอาจารย์เจอเมดวิชาปีที่สามนึ่งไปอีหัว มันถึงมีอันสลักกัมั้เขามาบอกเจ้าพ่อเก่าแฉ้ว่าแัาา่เขาเร่องว่าพันเมื่อไงทั้งนนะสังส น, ม ไ, ม น, ส น, มนไม่ได้เล็เหมือนกันเพราะิประคามันโดดผมไม่ได้เล็กเหมือนกันเพราะญาติพี่น้องเขามันกระลายมีแต่คนสันสูงๆเลยว่าสันข่าวโดยทังออกมันจะข่าอาจารย์เขามอกว่าถึงสามเท่อเลยสามปีอาจารย์เชื่อทันแล้วไง ผมปกโรกียะเร่ผมเนโรกุตระเร่บนพระหลังเนี่ที่สถาบัหมกษะผมไม่ทาเสยศาสต ร, ราา์วันหนลูกชิตเบียดเบียนกันกัยังมหัักคิดนี่พมกวิชาเสวยศาสตร์นี่ศศรราานี่วั น, น น, นึอันนี้ก็เฮียนวัดเนีรราา่อันนี้ก็เฮียนวัดเนี่ยอันเสวยศาสตร์ยังอยู่อันหนึง่งไม่ทาบเพราะหัวผีไปเกิดพราะมรโล ก, ก็ต้องจับเพราะบางที่รักษาคือกัน พระวังชี้รัชกาได้ไปทาบข้อหัวผีนี่ไปตบมรหกขอหัจับ ก, ก็ลูกหัวผีนี่ไปพบมรรคข้อหัวจับประเคาะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถูกรู้ครับพระวังชีรักาที่ไหนพระพุทธเจ้า ไ, ไปเอากะลกูกศีสาประหลังที่บาทนี่ไม่พระวังชีรัชกาเขากววังชีรัชกา ม, มาขุซะก่อนเอาแล้วข้อจับก็ยักไปเกิดสายบาดนี่ โอ้วัาสันได้เล่าได้กขอพระผีซุมนี่เขาก็มีลาบพ่องแห้งหรือขันได้เล่าได้วิชาขันเนี่ยไปอีกย่างที่มีลาบหลายว่าันเพราะว่างี้รักษาเนเขเลยขอเฮียนขอเฮีย น, น, นพระองค์เอ อ, อตัวที่เฮียนก็ไม่อยากวัดสันโดยจะได้วิชาอันนี้วัดสันเขาใจไหมวัดสันเพื่อหาอุบายให้พี่เจ้น่าสักคนใร่างกายเนี่ยเล่สําเร็จพระหักฐานก่อนจ้ตัวที่เอาว่าให้วิชาขอพระผีว่าสันเฮ้ยขอาน่อยว่าเอาแล้วว่าสันของคนทุกแล้วเาเนี่ย ก็เรยบวชสน็อกันนพนี้ขันนีันวาเรื่ร อ, ง, องคุริมาตจนต่อไปอีกขันคันในวิชาข้อหัวผีนี่เฮนวิชาเนีก็มดแล้วอาจารย์ขันในวิชาข้อหัวผีน่ไปเกิดทานเกิดนีนั่นเองเราก็ษีม่ลาบหลายเลยวัใจซีแล่าภาษีรังหลมากเราเฉเฮียนวิชาลกวิชาเรีกอย่างเราเฮียนมดแล้วน้ำทิศสาประมกนี่ย่างแต่วิชาข้อหัวผีา ทีทาประมวกว่าขันว่าเป็นนักสั่นตัวไประาขาคนมาไปไฮแด่พันคนเน้อเพราะันวางแผนไ่านพราะฉันยางเนป็นนัส่นว่างขันมันไปคาเขาแล้วเขาติดขามันเองเ้อเขาเปต้องในขาไวจังสี่ดอกเดียเนี่ยเออเขาสิขามันเองเน้อเขาเปต้องในขา้วเราะะันว่างแผนในมันประขาข้นถือใจซื้อ ยังผมเมอาลูกศิษย์มเบีเบียนตัวสำเนัน่ยังบผมเม อ, อาอาจารย์ิกาโตอีกสำเ่เพ่นพน่นก็ดาันใจซื่อจะไ น, น, นันหอังคุนิมานจนเนี่ยอ ม, มื่อคืนเบงประตาชงเพเลตเรานี่จะมาถือตุมคักวันเ่เพื่อนก็นเป็นพระหันน่แหละเพื่อนงให้ตัวเนี่ยชงเพลจะค้องอ่ะยังดีว่าเพื่อนไปซื้อเ พ, พ่ฟ้าเลยว่าบ้าซื่อดอกท <c oughs> ่านนี่ก็ไปเที่ยวคาแล้วบาเนี่ย เที่ยวขามาไปเที่ยวขามาจเที่ยวขามาก็เดือดร้อบนบาดเมื่อเม่ป่านะส้าท้ทุกฝนทุกแหงไปละไดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นตลอดถึงไฟหน้าผสมกัดเสียนหานึลียงเที่ยแล้วเอาไปหอยไวน้ำกุ้งใหม่ไม่หลับลืมเชน่งงกาเอาไปจินงาเที่ยวเราออกไปว่างตากไว้น้าหินด่านมันหลับลืมเช้นมันห่วยไม่ได้ได้วัสดุสิบบกครบทุกเท่วสัน่นบ้านนี้เอาแขนของข้อถอะไอ้วัส จะว่าแขนค้องข้อไวอย่างเนี้ยท่านในก้าร้อยเก้าสิบเก้านิ้วยังอยู่อีกนิ้วหนึ่งยังอยอีกพันคนอันซุ่มไปทิมมันมันตังนน้งเทไดเทไดน่ะซุ่มแหงกาเอาไปกินว่าเหาะอันนี้เมื่อวาวันตอนนี้คือได้อันในีุยธประวัติน่ะไปคามาคาไปคามาค่ะแต่ยินงฮอดพันยาพัดเซนระเจ้าพิมพ์ไปช้านใช้แล้ว มาเยเขาเจ้า อ, ออกจับโจนอังคุลีมาโจนแล้วบานี่ออกหาคนพ่อเมียใยินจิไปรัดลูกข้านี่ง้อยบ่ได้เยผลไปเจาแผ่นดินผลตรงแง่ที่ออกจับลูกเข่าเราซะจัดคอค่อลูกเข่าเราเขาพ่อกรเมีนี่มันตองออกรัดหาอังคุลมาโจนเท่าไ่เชวันพอ มีปัญหาสอเขามาวาตะกีไรย่ง้พระพุทธเจ้าทั้งบน แ, นแนด์เถอะเพราะกรรมพุนั่คันถึงพระพุทธเจ้าออกมาพรวานาาณุสามือนี่บรรตาคายของอังคุณยมานโจรมาหาพระองค์เจ้าเรากิสิมุกรรมเีกอังคุณนี้มันโจรกิสิมุกรรมเหมือนอย่างโยงนิ่มือหนึ่งพ่อแม่นี่งไปตามหาอังคุณยมานโจรอังคุณยมานโจรเนี่เห็นพ่อเห็นแม่ที่ประคาพอขาแม่ได้นีว่าทั้ มันเมามันมัวพราแห้งหรืว่าสัตวนิสยของผู้นี้มีมรคนี่พลาดนี่ว่าสัตว์พระอมค์เจ้าสองงานขันไปข่าวพ่อขาวแม่อะไรมันจีบว่าสามาถําเร็จมรคนี่พลานเราแต่ถ้าคนจีไปรัดนนทางว่างสัตนรอกอันนี้จะเก็บอย่งยังว่าไปรัดว่าสัตวของกมผูนั่นว่านเหมือนจีทางไดนสัตว์พราะห้ขาคนยังไรก็รอกเพราะพุทธเจ้าสมมไปรัดจะกี่แต่ว่านว่านถึงล็อกว่านอกว่านถึงล็อกของพูนม่ท่านเล็งล็อกของผูน่ะ ไปกับพวกองค์เจ้ากัไปรัตเนี่ัดปพ่อพอพ่อแม่หิว่าได้ได้หนิว่าสั่นข่าพ่อขาแม่นี่มันเป็นอนันตรยกรรมหานิว่สามารถอะ้มาผลในพ่านได้มันจะเป็นจังพระเจ้าอสัตย์จะสัตวพระเจ้าอสัตย์จสัตวเนี่ย่าท่านขาพ่อจีนประโดาบวันว่าสั่นน่ปข่าวพ่อซะว่นเีกว่ากิเลสม่านมานคือกิเลสมันมาตัดถินก่อนซะมันมาผ่านก่อนซะเรืองว่าท่านอะไรมาผในผ่าน นิสยัยสิใดมาขนในผ้าในคนนี่รักจิปรลักมึนงนี่าั่ขาพ่อขามแรงเนี่บ่ได้หรืบาดเนี้วมาสั่งพ่อเป็นเอานันตรณยกรรมาม า, า, นนา่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ออกไปกับพ่อพราะพุทธเจ้าอี๋ดีพ่อถือดาบเบอกแล้วมือ้อันใส่น่นใส่พระเจ้าบรดาลเพให้ท่านใ้ราหงวัลพราะพุทธเจ้าบันดาลให้เป็นแม่นาเป็นเมียได้ข้าน ไหลหารางวัลบรรดาลให้เป็นน้ำเหื่อรักแร้จนออกเมื่อรักแร้อัองคุลิม่านโฉนใกล้เพราะที่ท่านนี่แหละเพราะพุทธิแก้วบรรดาไห้ท่านเพราะสุนทดี่ี่ะวันเถะสิ้นทาง3ามโยธนะเทระสังคุลิม่ารักษาอนโรคนาเทนะพระศิ่ตังเขาพัญามาเจริญช่างปริสันจำพระนามเฮนเราทั้งหลายตรวจพระปริตอันนี้เถิดนะระปาริสพระอัง ปริกอังกุฎิมาจนน่ะจังวายาตัวเขาไปืกีนีน่น่ะท่านนี้ก า, าใกล้ขม่าใกล้ขม่าเมื่อไลยสินทัางสามยนต์ยุดที่แม่ยุดที่แม่ว่ะสันไม่หเห็นเห่ามันยุดจะผดใหดอกมาตัวมันว่าหันจุหรือว่ดพะสันยุดยังไงย่า ง, างไปโยงสันวะสัน ยุดการขาสัดตัดทีการเบียดเบียนเพิ่นหันหน่อยสิตวัวคุ่มเฮาเฮากัย่างตัวติดคาเฮาเดี๋ยวนี้วะสิเฮาหยุดการบวชขาบวะแกงเพื่ออะไรเนี่ยเฮาเอาเียนนี้ตวัวมันคุ้มหยุดเดี๋ยวนี้วะสิอ๋นะครับเคยเมือไรบา้างว่าคือจิงสีคือคื้มยางพรบโอ้สั่งเลยว่างดาบตนแล้วบานนี่ว่างดาบขเขาไป็นพระพระองค์เจ่าไปหมู่ปลง พระองค์เจ er ้าอำนาจของพระองค์เจ้าจับหัวโดยเข้าหลบสองมือโอ้ยทาเว้ยว้ั่นขันเท้าประมาณนี้ตัวติดาพอตัวได้เหมือนเหมือั่นพอตัวตาหมาตัวเห็นอยู่เหมือนแบบ้าพังเงานาจิตอ่อนนะบานอำนาจพระองค์เจ้าคนลุกมือสองหกสองมือสือโดยเข้าหลบว่ามันจับหัว่านงงกันสิคนลุกมือโดยเข้าหลบในธรรมะคนลุกนั่นสิโอ้ยเท้าเว้ยว้ยสั่นขันเท้าประมาอนี้ตัวกระชาพอตัวแล้วพักแล้วว่าสั่น อ๋อเนี่ยแก่งมาอนราลเนี่ยเขาปฏิจาก็ได้เทบยองออกก็เลยสํำเร็จพระหันอยู่มาอยู่มาเรื่องของสันนั้มีพิษเสดาตัวยองอันนี้เดียวว่าขาคนโดยบุมีเกตนะถือร่วงเขาหน่บสุ่นเนี่ยมันไปตกไข่หน่อยมันก็ไปตบซุ่มพวางแผนผลแล้วหน่อยร้ายอย่างว่านเถาะของพระท่านเนี่ยขาพระหันนี่นี่จะขาพุทธุนคนหนาเนี่ ปโต๊กน้ำทิศสาปเอาโมกคุณแล้วกับลูกศิษย์คุณแหล่ร้ายอ่ะองสันเอาหลอดว่าไอ้แต่ป่านนันเมืยังมาหาเราอยู่บวชมาหนึ่งเด็กน้อยกองขอนกอนดินทีไรมาถือเตหัวเราไปพระมานาไปเห็นนี่มือเป็นพุงพ่วงอยู่โอ้ยบุญไหวแล้วพระองค์แม่ว่าสันก็เห็นเจนี่มือเป็นพุงพ่วงอยู่ว่าสันเห็นเรื่องไหนว่าสันโอ๊ยอาตีทังนานวังกับเมีย ถึงใดที่ล้องแล้วอย่ามาให้คล่อมอยู่ในใจสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่มาถึงปัจจุบัญญายโทย่ทำมังจงเห็นธรรมในปัจจุบันนั้นเถิดอังคุลิมาเอ๋ยตั้งแต่พรหนให้พระเจุบันก็ได้เลยสําเร็จพระรังหารท่านได้สมเร็จพระรังหารมาแล้วนะพระพุทธสุสงฆ์มัณฑุจักนาคมณิกาครับพระญาปเสน จะทำบุญประชาตุส้นเขาก็จะทำบุญสมบุรกับพระพุทธเจ้านังมัณฑิกากับพญาประสัยหรืออะไรที่ทำบุญว่ามัดเวี๊ยบเก่าโกรธหรือเจบแปดโกรธบ่กทุ่มเท่ร่องมันมัณฑิการับนั่งมณฑิการับพญาประสัยนะวัฒน์มันสิววันสนประชาต้นเอาเสียตังไหนไร้จังศนะพวกประชาตุส้น ดอดย่าอเขาได้เห่าป่ะสงเกียรติไอ้เห่าบ่อเห็ดอีรอยเ้าสนามก่วงก่วงเนี่ยเา่าเอาสร้างมาหาลอโตระโบว่าสั่มากั่งทััพระทุนให้สนามก่วงก่วให้พระนางสันจังหันเนี่ยเอาสร้างมากังทรัพยทุนนี่มุนพระปูสัดน้าสนามของห่อนี่น ข้ากรทานมัดตั้งที่แปดท่เก้าโตรสนใาันเดี๋ยวอาทิตย์สทานพัพัดตะเ้าครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็งมีอาทิตย์ทานเื่อนหนึ่งเพราะฉนั้พเภา อ, อยู่หนึ่งอนึงท่านมือเดียวที่เก้าโตนะหรือที่แปดหวเขาเริ่มไปทราบที่ว่างนี่หละจื่อไปเลยครับถ้าเป็นบบสร้างมุนนม่นนมุนนม่นนมุ่นานมุ่นนมุ่นนัสร้างหารอยตัวนั้นเอาไปให้ด้วยแมนภาลัันตาเสียนาสวมปุ๊บพระนั้น อสร้างให้อง ล, ล, ล, ล, ล, ล, ล้โตแล้วโตแล้วโตแล้วโตมูฟยสนามมันจะเ่านี่ยล่ะกังท่าะทนให้ให้คนสันจังหัันให้มันลืนพวกประชาส้นวัวกพวกพระาสนสาสน่ยเขาเห็ดซ้ำไรอ่ะแผ่นวัได้กาทั้งห้าแผ่นวัตถินห้าแผ่นแผ่นว่ตถินไปกวดเบิกอีกเขาเห็ดซ้าไรหังสิบวนันเพิ่นวันเนาะวันอันสองพรมีอ่ะพระมหากระัตรเนี่ยวันเนาะ ที่นี่ย้ายเมือนลรสร้างสร้างโตคาคน้นเห็นพระม่ า, มานี่โอ้ยปัน่น ล, ล, ล, ล้มเวล่ำผ้าวะสันบันดาลประึกอังคุริม่านโจรซะแล้วบาทเนี่ยองอื่นผันว่าถึกใครพระทั้งรักจะซ่อมดิฮะเนี่ยพ ส, สร้างตัวนั่นเป็น เจ้าว่ามันขาพ้น่าผ่าเก่งฝันร่มเมลผ้ำพ่าอะไรเข้าไปมาสังเกตบังประปักษะไปหาอังคุนิมานโจรมันสามารถหมู่ยื้อซื่อไปกันบางองค์พระหันจำพวกทุกขยปตะโกนว่าสันทรก็สามารถสิรักคิตรักใจพระอังคุนิมานโจรในน้พวกทุกขยปตะโกนคงใระบาดนีั้วเปนจริงพระองค์อังคุนิมานโจรทั้เลียงพระลหันแล้วห พ่อหลังชั้นจังหันแล้วนั่นโอ้ยท่านอังคุลิมาเลยวะท่านท่านถือสร้างโตัวขาพ้นท่านว่ดตับรีบยุ่บบอกวะท่าสนสร้างกำแพงมดูดีๆอยู่บบอกวะท่านคื่อโบเห็นใส่ยพยศอันหายใช่ท่านไหมท่านคาว่าท่านว่ดตับรีบอยู่บบอกวะท่านเมื่หน้าผมขนกรบอกพองสยองกระบ่กเขายังไม่พบกระซือๆเสืองทงางไล่เลยว่า คนอวดมาข น, นนี่พานเลนะไปถามพระพุทธเจ้าประกาศรูมแล้วพระพุทธเจ้าเออพรยวา่าพระชีหนา้าศพมีคนพ้องสยองเข่าจักเทอือพระสัตว์จะหุงอังคุณิมานจุนํำเร็จพระหลังเลี้ยงทิ้งที่เอามาเว่าเป็นคว้วเป็นขติกระม่กระเพื่อนเหาน่ะ มันก็นมีอยู่อีกหล้วเนี่ยอยู่ปฏิญติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยในประเทศนาการทางอ้อมเช่นพระ อ, องค์เจ้าไปอยู่ปลาเร่ไรเหตุไฉนพระ อ, องค์เจ้าจึงไปอยู่ปลาเรไรเรื่องมโนเนี่ยมันเป็นคั้นที่มันพระนิจชันมหาถามตัวโตกตอบเพิม่มเมื่อไรตัววุ่ชับเนี่ยสมัยพิซูแตกกันในเมืองโก้ซัมพี <c oughs> เป็นช่องไฟพระพุทธเจ้ายัางมีชีวิตยอยู่ไฟ้ะทางละาหารอยพรวิญาท่อนกับพระธรรมกทึกผิดกันพระธรรมกทึกเนี่ยไปทายในสวมน้ำในในสวมทายเนี่ยไปเลื้อน้ำใช้กระบอกไว้เลื้อน้ำล่าง การที่ทาอย่างนี้เป็นอาวุธทุกปปข์ก็ดูดอันมีบริวารห่ารอยพอเข้ามาเ้ามากระทึกก็มี่บริวารหาร่อยการทำอย่างนี้มันจะเป็นไม่จะเป็นอาวุธไม่จะเป็นอาวุธการทำแบบสุมเที่ยงเที่ยงงอนกันฮะเนี่ยหามบ่ฟังถ้าพุทธเจ้าก็ไปหามก็ว่าฟัง ถ้าพูดที่เจ้านาที่ตัดตัดสินเพียงยังมาตัดสินจงไว้ให้ยังเลี่ยงไว้ให้ยังมันก็มีหนของเพื่อนอีกถ้าเม่ฟังพวกนั้นก็ว่าเป็นอาบัตการท่า น, านไงไองั้นหม่ยสมกลัวนะพวกนี้ก็ว่าไม่เป็นอาบัตพวกนั้นว่าพอจะเป็นอาบัตเป็นยที่ขั้นสวมนั่นถ้าเป็นของสวนตัวพูดเดียวนั้นก็เป็นอาบัตรหรือทายทองอยู่เนือง ไปเลี้ยงนามวายังสั่ว่าเป็นอาวัตทช่ทองนี้นังเน้ยงเลี้ยวกไปเดียวกไปคือเลียวกไปกับขวดด้่ยหรือทำแม่ส่วมส่วนตัวผู้เดียววะจ๊ะส่วนตวไปให้ท่นเป็นอาวัตตีวะส่วนนั้ก็ไม่ยอมเป็นเทียงกันทุ่มเถียงเจียงงอนอาจารย์พร้อาจารย์รอดกับพ่อเมือนกันเขาฮานี่แต่ช้านโม่กันถ้าเราหาลอยหาลอยนีืองโก้พี่พระองค์เจ้าเลยไปห้ามห้ามก็ไ่ฟัง แทนที่ปยังเจวตัดให้กินทางไหนทางหนึ่ ง, งให้แท่ให้ชนะซะทาทนที่ตัดชินทางไหนให้มันถือทางไหนทางหนึ่งห้แค่ให้ชนะอธิการที่กําลอกเพราะมันทั้งละทอกันทางหลังอร่อยและเป็นอาวัตเรียกน้อยอีกด้วยถ้าเป็นอาวัตป ร, รประัิสตรที่สังฆาจาเสด็พระองค์จะประทัดเลื่อนหลวดนวันนีอันนี้เป็นอาวัตเชื่อทุ ก, กัที่นี่พวกนี้ไปโจทย์ก็ไปขออนุญาตให้พวกนี้เป็นอาวัตทุกวัดคือการให้โอกาสสร้างเมยพันเต เื่อใขออนุญาตพวกนี้วิธีโจอาวัตรต้ขออนุญาตา ต, กนนาตะกอนถ้าไม่โจดก็ต้องไปนาวัทุกวัดทุกการถุ่มเทียงเทียงงอนกันมเมลเพ่พังขึง้น่นนี่พระพุทธเจ้าปร า, ามก็บพฟังพระพุทธเจ้าปร า, ามก็บพฟังพระพุทธเจาา้าเลอบัตพระพุทธเจา้าชิวุแล้วเลือกตินนวัธาลกกาเวไนนี่เล่าเสียในบัญญัติในข้างนี้พระพุทธเจ้าม่องเห็นแล้ั กอบไก่กเกียร์กันนะ่ะติณติณนวัถาลกควินวันยความให้ปณีเนปนอมมาสร้างสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมเลือกติณนวัตถา ร, ราวินัยเพื่อจะได้ระงับอธิกรอนวิธีนี้อั น, นอหนึงฝากไว้ก็สมไวู้้พิจารณาไม่เห็นลเลยได้ค้าอุบายเราสีนี้หรอกฉันเมื่อตัวเมู่ตัวบอกมาฟังมาแนะล้วเราสะไปล่าชบ้านกันมื่ออ่นอย่าไปข้องหาเราเล่าได้เหรอันเราจะไปปลาก ร, รักทิตะวันผู้เดียวใช่ พระอนลก็บ่าหายไปพระอนุคก็จะเป็นทูตเบิ้งตววนีอยู่บางชงว้เพื่อเดียวกาวถึงสร้างออตอนนั้นอีกคั้นสร้า ง, างออตอนนั้นเป็นสร้างเถ่าอยู่ป่าลักชิดตะวันเสือล่งไปกินน้ำสร้างน้อยกับหนูนเ อ, อิบเยียบเล็บกับป้านั่นนะฮะไปกวนน้ำคุ้นกับป้านั่นซีเยือกใไรอย่างที่ โตบบเบาๆสิคั่วไปกินก้อนนะเี่ยางก็หยยบเรียบหยยบเท่าแลนสวนนาสวนหลังมาสิวัวห้เกียรวัวหายดเล่าวห้ยเกียตหายยดเล่าว่ะแล้วถึงไปกินน้ำนี้แลนไปกวนก้อนตอนนาผว่าสนยางก็เบียดเทียเท่าสเยียบหดแลบพ้อพัลธตกเขาเนี่ปดต่องปวดมัสิกระเข้าที่เก้าไปสายมาสิวัมีต่ำว่มีสูงมาสิืัอนี้อยู่กับบบตองเอาปลาปลาม็ตีนี้มาสิหนีไปอะเลย ท่นนี้นี้จากสงท่านนั่นขะนี้จากบูไปไปพ่อกันแนวันนั้นกับส่างตัวนั้นโอ้พอเห็นพระองค์เจ้าเนี่ยปลาักขิตตะวันเพากดีใจทด้บาตนี้ตั้งใจว่านพระพุทธเจ้าสิยุนีตะพงตายแล้วสิยุนีตะพงตายหลว่านพระองค์เจ้าก็เลยตั้งใจสี่จะพันสายยาปราลักขิตตะวันทดสอบพวกนี้นมันิประเด็นิประเด็นเงนไดสิปฏิบัติางไ คนใ่ทุกขวกหนีกันบอกพระพุทธเจ้าสักการนปับสั่างสักการ์นพอพ่อทังเกศพ่อย้เข้าใจอันนี้มันผิดสดด่านเลื้ยเท่ามาบุญผเนี่ยไว้แล้วค่ะสร้างกันไปหาแบบใหม่หัวมั่นมาให้พ่อองค์เจ้าไปหาหัวบัวมาให้พ่อองค์เจ้าสร้างเสร็จพระนี้สายบางแล้วมาทำแท่กระบอกหินถาวายพ่อองค์เจ้าแงมมือเศ้ามาพ่อองค์เจ้าค่ะ ไปบินทบาทบาทลักขิตตะวันช้าตอนนั้นถืออาบานันจีอวันพระองค์เจ้าไปนั่งสมือสมือพระองค์เจ้าเขาบอกว่าตัวให้เชีองห้อยตัวให้ดีเด้อพราสันเขาสีมาทํามันตะไลเอาง่วงเอางาาตัวด้อพระสันบอเขามาหอดบานแม่นางสิมนางแต่เพาะพระองค์เจ้าคับสัสงตอนนั้น ล, ลงมาบางทง่าแม่นข้างว่ารถต้นแก่ังหม่เฮานี่ยอกมันสิสงบก็นีวัน่มันจะกลบาทก็ดีบาลักขิตตะวัน พ่อเขามาไกาบ้านพระ อ, องค์เจ้าจึงโหมผาพ่อออกมาจากเล่นบ้านเลยสร้างเต็นก็มาหับอาบัาแล้วก็รักษาพระ อ, องค์เจ้าให้ย่ำขึ้ น, นถือขอนหลักตเตวอ็นอยู่ผู้ดได้บทตามันตราดสิบปีมันยุ่งหะสามเดือนครบใจมากเลนหลรักษายุ่งหะฮจชกน้วบัว เอาไม้มาสีเอาไม้มาสีไฟเอาไม้มาสีไฟเอาไม้อ่อนมาสีไฟเผาตะก้อนหินตึงลงอ่างน้ำแล้วมามีดจะบเพ่พระองค์เจ้าเห็นพระองค์เจ้าของจักตัวเติมน้ำให้ห้องอาบบอกวาสั่ตัวมาม้อนหาไปอาบน้ำบอกวะสั่พระองค์เจ้าเขาเลยไปอาบน้ำตึงต่ก้อนหินหอนขีหามันก็อุนพระองค์เจ้างน้ามันในอ่างนี้นะมุจักดสีไฟขอมันหลังมาเขาแหงแ อันนี้ยึดดับกันพระองค์เจ้ากับพระองค์เจ้ารักษาพระองค์เจ้าหายข้นสุปของพระองค์เจ้ามามีสันติบาลขอพระองค์เจ้าอยู่งสนะเห็นทั้งชั้นอ่ะเวลาออกจากบ้านแล้วนะพระองค์เจ้าได้เปิดใจข้องเสียไม่ตะาเบียงคือจะมาสร้างถือผากีวนกำบาดไหมเขาเป็นคนท่างบวมเป็นคนทางพาบวานพาเมื่อเป็นคนทางเขาป้าแท้ๆว่านดอกรวมเป็นคนทางแค่ว่านเที่ยวมารถท่านแสนแจ้กหม่เฮาย คสีีแต่พระองค์เจ้ากับสร้างตัวนั่นเที่ยวอ น, นุนตัางเซ็น่ะแต่ถึงปานนี้นพระองค์เจ้าก็ บ, บอกให้เชียงห้อยอยู่บให้เข้าไปไต่บ้านแต่เขาคิาาาาาาาาว่าองค์องค์งาเข้ามอจัก่อนเป็นซุกยอดหันละดีใจจังตั้งใจว่าคำทองค์เจ้าวันนี้ที่ปฏิบัติเสร็จวันตายอันตั้งใจอันในก้าวพวกพระนี่ก็ พวกพระซ่นี่เขาละพวกนี่พระนี่ไม่ทิตธิมานะเห็นให้ไพระองค์เจา้าเดี๋ยวนี้ย่นอนมาเเขาคงจักเด้กขา้จะไปใช่บาตในหัวมันกินอะไรอึดอยากเขาเรแล้ว่าพระพวกนี้ขนาดนี้พระอนุนนคือจะเป็นผูดเบังโยงทรงจังหวะบนถ่ายน้าไหมยุ่มากยุ่มากเนี่ยมาเห็นโทษกันขนาดน้และไปย่อมกันเองขนาดนี้ตั้งใจพ่อมาหน้าจะยอมกันแล้ว ย่อมกันจางพ้นจางไาย่อมจางพ้นจางไาย่อมผมมาเกินไปรอกผมกาเกินไปหรอกเพราะว่าแต่นี่ถ้าไปมูห้าสมาชมาเขีกันจะเสาะส้นพิษกับพิดน้ากันทุกคนส้นถึกกัปันกันทุกคนนะครับถ้าสึกไปปันกันทุกคนทางพิษไปปั่นกันทุกคนนะครับสมาชมาเขีกันจะเสาะมูอห้าเนี่ยน่มเขาอื้อสาวมูห้าพอแห้งแล้วะเรับเามูอห้ามีสิทธิมา่ะพระองค์เจ้ายังอยู่แท้ๆกับพรฟังพ่อมันนะจนพระองค์เจ้าเดีนี้ไป อยู่ปลาลกิตตะวันเดียวพอปาเล่ไร่ตั้งใจพ่อแม่หน้ามึงเข้ามได้ตั้งใจพ่อม่หน้าให้ได้สำเร็จพลังงานมัดอร่อยพัอนออกพันสาแล้วไ่พออนพระอนุนที่กยายามพระพุทธเจ้าของนี่เนี่ยมีสาขาเนี่ยสาบคาวา พรานุนทีไปขอให้นิมนต์พระองค์เจ้ามาี่เนิ่นจะมทุกขาเกิดทอด่า่ได้ใช่บาทใช่พกก็เสม่จแวิปทุกขาเป็นกระทวดานบัตรในนี้ขอให้พระอนุนนิมนต์พระองค์เจ้ามาี่เนิ่นทุกข่าเกิดทอดจอดถึงไ่ได้ใส่บาทใช่พกพระ อ, พนน อ, พองาาค์ออจงกกงเจ้าหลายเทื่อแหละ0ามพันสามเดือนแล้วสั่งสัส่งพระอาา น, นุ่นไปพระสนั่นก็ไปด้วยจะไปจะไปขอเขามาถอดพระองค์เจ้า พะเริ่นนะจำเรินที่แตกกันทำขีกันแล้วดี๋ยวไพลันวดแล้วถ้าเนี่ไปไปหอดจังตีนเขาไปหอดจังตีนเขาหัานไอนจแล้วพระพวกเจ้าอยู่ดีนี่ตะ ก, กอนให้ผมขาไปานตะ ก, กอนเลยควบยางไงผมจะคิมาบอ ก, กอพวกันด้วตะ ก, กอนไปพระ อ, อง์เจ้า สร้างตอนันเห็นพระอนุทน์บลงบ้ถือขอนแล่นไสหลบาดนี้เขามาเป็นสาติเทศมารบกวนพระองค์เจ้าอย่งไหมครัมันนึกนะเออถึงว่ารากวนพระองเจ้าได้ไหมครับอันสร้างนึกงพระองคก็ปล่อยให้เป็นี่สั่นเนี่พระอนุทน์กินึกกลัวแลยเพราะเวลานั้นเป็นพระสวดาวันอยู่ยังมีกล ah ัวยังมีนฟองใส่ร้องเก่าอยู่เลาไปละมากเละไปละมากเละไปละมาสร้างนึกในใจว่าพระองค์นี่มันที่มีขอวัดบ่ไหมครันคันพระองค์นี่ มันมีคอวัดแล้วสิปาตยมันวาสั่ย์คำนั้นมีคอวัดตีหัวมันหัวแตกวะสัตย์อ๋อพระอ ง, งเจ้าเคยนั่งนี่แหละคำนันมานั้งแค้นันพรองค์เจ้าเนี่ยเราจะตีนหัวแตกวะสัตยพอนนทเพิ่งเสลาเลยคำว่าตาพาห่วงสายเสดยจพระองค์เจ้าเขาเราก็จะตีมันหัวแต ก, ะกวะสัตย์พระอ ง, ง, ะอ ง, งนี้มันมีคอวัดเลยมึมีต่ำไม่สูงเลยภาพสร้างสเล่นมงึมงมองมองึงนี่เสแล้วฮเนี่ยไปเลยเพิ่เนเลี้ยวขนาเลียวหลังเพิ่นหู่จักรเสี้ยพานน ว่างาเพิ่นกับว่างวันพระพุทธเจ้าค่อยว่างซาตาข่าเพิ่นกัไปตาเพื่อนเอือมพระองค์เจ้าพนวาตัวจะไปสองสัยอนุนัะเถิดพระท่านอนุนันเป็นพุทธทูปพระทักแยก่ายดีพระท่านสั่งไปว่างพอดพระองค์เจ้าก็เลยถามข่าวพระจาพวกนั้นเป็นยังไะก็มาน่งมีเราขนหนอยัจ้าล่อโยตีข่าวผมคนเหเป็นจิพระองค์เจ้าของเจ้าทรงนันจเรกหลังเนี่ยว่า มขามากราพุ่นลกของเจ้าเนี่ยถ้านนั่งนั้นกลไปบอกพระเจ้ามาสักพัเพิ่งกลับว่าเด้กเก้าเพื่องหลังทังทั้งร้านยอมการหรือดจำเ็ดเดือท่านเพิ่กลบว่าด้ก้าเพิ่งของเพิู่จักเลย่ะท่านนั้นนั่งกั บ, บกากมาสาั บ, บก อ, ยยอกออเพิ่มา ส, มา ส, มาสัเพิ่อุอน่นข้าเก่าน่เพิู่จอกเลยเด้อเจา้าของเพิ่สี่ฮาบายว่างเรื่องระงับอธิกรด้วยจินวนวัฏฐาละกวินยนี่พอเป็นอาวัตเรีกน้องอให้ไปนีไปนองมันทางสงฝ่าย ไม่ต้องทำละความเดิมเือกตินนวัตาและกาบินัยเป็นวิธีระงับอธิกรณ์วิธีหนึ่งย่อมกันทั้งสองฝ่ายเพราะเป็นอาวัชเล็กน้อยย่อมพิดกันชุดท่างย่อมถือกันชุดท่างใช่ไหมถ้มันเสื้อผ้าปะกันถ้าคนถือผู้ได้กติณเอาคนพิดกิณประกันตุ้มตามตุ้มจามเมื่อกันทะเลาะกันไปหอดมือตายพราะเป็นอาวัชเล็กน้อยแต่กอนพระองค์เจ้ากระหามยุสตะกอนเหงวิธีพระองค์เจ้าห้ามมัน า้ามยังไงเกิดสังมาบดสังเกตเห็นว่ามันบวชหามจากเมธะข่วงหามพระองค์เจ้าหามัางไงเขามาด้ยวบอกเขาบอกกลบไปคัผู้เขาฟ้องเฮ้าเนี่ยเขาเป็นคนมักถอย ม, มักค่วมบ่อก็ไปยังจังบคขึ้นเนี่ยถ้าเนี่ยผู้เขาล่วงละเมิดที่ข้าบดเขาเป็ น, ปนคนคอยล่วงละเมิดมาต่กนบ่อผู้ฟ้องกับสังบวชพี่ ย, รรนยนะนันนั่นเนี่ยพระว่าละขะเนี่ยพรองค์เจ้าบอกซ้านั่นแล้วกัน เขาเป็นคนมักกลวงระมิดนะชี้ขา ว, วัวินัยบอกจังภากันไปวายจังสั่นฮะนี่พูดถึกฟ้องนี่ก็ได้เขาเป็นคยมักถอยมักควมมักเอาถอยเอาขว่ ม, ขมเอาเพาเอาสะนะบอกกับไปยังจังวัตรี่แค่น้านี่แตนวอาแต่ชำนันเมื่อชำนันบุนนนนฟังเลยจังนี้ดอกนี่มันบอกพระพุทธเจ้าให้ในขนาดวันเนาะอย่ า, ย า, นานงนี้ปต่โยบายเลยๆ่อนดอกฮะนี่ไปนอนในันขึ้นหนึ่งหมู้ือใดกับไปจัก ส้างเสรินั่นสร้างเสินั้นก็พ่พอใจนะสร้างซสนั่นว่าบ่อจากไหม่าล่ะที่มากวดพระองค์เจ้าเราจปฏิบัติพระองค์เจ้ายู่นิองเดียวเู้เดียวเลยเดีผลที่สุดท้ายก็สร้างทั้งหลายก็สร้างเสริมนันก็เป็นฮบักใหม่หัวมันมาถวายพระอยู่จะมันเพิ่พักยุหันขึ้นหนึ่หรือสองขึ้นไ่จักเพิ่กับไได้ก้าวละเอียดพายในพระอนุนตึ้นทีเมนต์ซีโยหันทีเมนต์ขึ้นนึงก็อาจเป็นได้ ขาน่นวางสินีน้องมิซักขากะ็ะชังเขาหน้อยมากนี่แล้วว่าคืนหอดจอดถึงพวกองเจ้าขอให้พวกองเจ้าเมื่อนี้พอได้กินได้ท่าในทักษวาดหพกไปสัน่นเออคันว่าจังสั่นกันถืออบา้จีว่าเราเถ่ดอันนี้เอามาบอกให้น้อง่าเอามาบอกเพื่อเป็นย่างย่างพิซซูซั ม, มาเาหอ เขามามนณ์มหาแต่ว่าเขาม้าถึงวัดถึงว่าเขาเขาภูมิศรัท t าจริงๆเขาพ่มาแก้ลำขั้นเขาเขาพ้วนไปให้เขาไปเสนอโผมาวางที่หรอกสิสร้างพระเจ้าพระสงค์อมมณ์ก็ตามเขาพ้วนถือเขาเขาเสนอมหาเทพขันตีนิมมนวางเสนอกเขาผู้เขาทั้งสินทั้งถ้ำหรอกเขากิงแรอกเขาไม่มีเลยไม่เลี่ยมหรอกเนี่ยกับพระเจ้าพระสงค์หลอกมันสร้างผู้อื่นมากขาพ้วนไปให้เขาก็นอเขาพ่อไปได้เว้นไว้แต่บัวพอไปได้ตัวเสนอู้วนก้นเพรว่า สิสร้างพระต่อพระมาให้ม้อห น, นึ่ง่ไปแล้วเขาจากไดเ้เหาเขาไปยังจ้งมามายัางูเ่เขียบเ้าามาปิที่ถนนก็สังเกตเืองบุคข้นแนวมุขขนที่ถึงพระเจ้าพระสงฆ์ที่ยอมต่พอพระเจ้าพระสงฆ์หรอเหาก็บมุขขเลีนหม่เลีนลูกใหม่ใเขาไวที่นนอันนี้เอาเป็นย่างย่างอันนันเพี้ยงเพียงว่าสร้างพระไปซือพระ อ, องค์เจ้ากัยังมาน น, ม น, นี่มู่เี่านี่พระเพิ่หนึ่งม้อเขาเหาผมนี่ใจถึงเด้วาสัน ผมเกียดทังโยมมากกลางคืนผมก็ไปว่าสัตวผมหนีผมเดียวได้หราอะัตพระประธานองค์นึงออยนะเขาฟังเขาอาตักเอาไงผมหายเดียวดเดียวทังโทษสะวาทังบุรุษครอบได้ว่าวะเขายืมยังเขามาใส่ตองในสรงเขาจะก็ได้สินี้ไปใสว่าสัตเพราะวินัยไม่ยูวแกพระองค์เจ้าถือไปยูวปลาเล่เ่ก่นยังทังงานทังโยมเนี่ว่าสันี่เขาดีเขาพระเจ้าเด้ผมบ่กหาคะแนนทังเดียวผมห้คะแนนคนโทษสะาคนบุรุษครอบว่าสัเข็นสีอยู่พระองค์เขอน เขายืมคู่ยืบแฉ่งเข้ามากเฉยซองเขาส่นตัวเฉียนในเขานี้กังขึ้นเฉียนว่าไม่หวานนะท่านตัวไปแล้วภาพหน้าง่ายของแมนบอกว่ายักจะภาพหน้าเ่อลงโดยยันจะดินกุดขวดอยู่ด้วย่าข้าเฉียนในเขานั่นว่าไี่เป็ศพเพระาะร อ, อเยอะเลาไเกลี้ยงลาย <laughs> ตั ก, ตกอผมนี่คนใจเด็ดเลยค้นเฉียนในงานเฮียออกมาก็งขึ้นผมก็นนี้ท่าน องหนึ่งรอะว่าใสแวจ่าดำฮะเนี่ยกรรมฐานนะฮะเนี่ยไวจ่าดำหมาพันท่าวฮะเนี่ยงงปงบาได้เนี่ยโ้หมาเนี่ยบาเสามโค้ใกล้ที่เขาคค้หมาก็ไปพ่อหมาว่านขันยุดหมาพันยุตนี่ นั terror, society, sword, ่นมันฮ่าววอกอีกคุ้มอีกมาพันล้น่เนี่ยเอาไปเจ้าไปจะสามโคกบัตรปพอดหมาแล้วมาเล็กเมย์ใช่เนี่ยคนกับเมยหมากับเมยนี่เน่มาห้านาหารุ่นให้มื่งจีอไว้ระ่านนี่ลูกศิพระธาคาตาพระท่านลูชาแว่ตาดำพระท่นพรกรรมฐานองค์นั้นพระท่านผู้จันดีขอกมาเทศนะเข้าลวหัวไหลเป็นแชลบยิแห่งใจ อันควบหมอบมันกรเมีนเหมืนาสันเพลินหวาอันควบคุมมันบ่เมียนนุสันเพลินหวานใส่เวทนาดำนสันมาอควบมาแล้วอันนี้ไปกินนักการทังอ่อมเลยอีกอย่างนึงอัมคว่าอเป็นอย่างย่างขโมูค่ะเนี่ยผมอิจฉานั่งคณะนั่งนั่งคณะอันขามหาพระองค์เจ้าห้องห้องห้องสังกามาพองของพองกอง ตีข้ามาหาพระองค์เจ้าพระองค์เจ้ายิ่งนิ่นอานนทมันภัยมากกระทึกคือโคบมากเหมือนชาวประมงแย่งป่ากันร่องไม่ชอบราบชอบยศในทางทางนี้หรอกจงไปคับเขานี้สิง่ายข้ามาหาตจตหกฏเมืมอหาจตหกตเรื่องลาบเรื่องยศจตหกฏไม่เอาดอกาาอรพระอานนท์เป็นผู้ชะร่องไป ฟากดกรถีพระองค์เจ้าว่าให้เฝาเอยเลยฟกัไปอยี่ยเนี่ยโอ้ยเป็นเงี้ั่นบอกเขน่อยเป็นเงี่นวมาั่นมกับพยากแล้วเขอนอ ย, นนยเงียเงียบเดียวนีก็ได้อยู่เงียบของขาเจ้าองจักเด้เจ้าเคยมวนมาอย่างนขาเจ้ามวลงีั่นเด้วาขนานันได้ไปทูกขบอกพระ อ, องค์เจ้าเยอนี่เขาสงบดีแล้วพระองเลยเ เขายอมจำน้นแล้วหอเออใช่แน่เขามากเลยเองข้ัญหาพระพุทธเจ้ามีปัญหาสอดเข้ามาวะพระองค์เจ้านี่ยผนทุกผนสงสารเนี่ยระงับเสียงเท่านั้นว่าได้บ่ให้ช่างที่ร้างผ้าอยาเขาไปยังเราเป็นผู้พ้นไปแล้วอันนั้นมันเป็นเรื่องของเขานี่ยเขาเนี่ในสท่านั้นก็ต้องเขามาเขามาตามแซนเขาไปยังมีปัญหาสิสอดได้เขามาเนี่ยอ่าทีมีปัญหาสอดท่นแล้วเข้ากับที่มีปัญหาแก้อีกขั้น เขาว่าสร้างเขาเป็นยังเขามากยังสั่นก็เรื่องของเขาของเขาจะฆ่าลวาดเข้ามา ม, ม้วนมากซื้นเขาปิดเขาโง้มากกับยาเขาเป็นยังพระองค์เจ้าเป็นผู้รับงับหูรับเสียงว่าในมีกระทบกระเทือนนี่ยังลรอว่มีโรคมีโควิดมีโรคยังไปเดือดร้อนนี่ยังว่างอุเบกขาบะไรบ่นี่ผมจีเป็นผู้แซงฮะเนี่ผมก็จีเป็นผู้แก่ฮะเนี่ยผมจีแก้วายยังสิฮะเนี่ยจากที่ถือสีเพชรในหูฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยรับงับเสียงในยังหรอ เพื่อทีทอดสะพานให้อนุชนอนุชนรุ่นหลังในควยมสงบไว้สำหรับพระองค์เจา้าจีนไม่แว่นวบเบอืเบอบ อ, อะไรละที่ทอดสะพานข่นสมสงบไว้ให้อาุชนรุ่นรุ่นหลังไมจ่จะให้คุกที่ตีโมงไมจ่จะให้เออกระเลิกแค่ห้านี่ห้องแซงห้า ห, งงหาหงแก่เดี๋ยวนี้ขันถือกขันมือพี่แก่น่าขันบ่ตถือกกระละ่าแจ่ฝากท่านทั้งหลายไว้ให้พี่แก่น่าพระวัตรกิไปเบิ่งพระองค์เจ้าั พระองค์เจ้ามาลูปสวยลูปงามพระบัวด้วยสัตธาคนน่ะโอ้ยผห็นบ่เด้เบิ้งพระองค์เจ้ากินเขาพระเสียมน้ำมาแล้วเลยจะมันสวยมันงามเบิ้งมันไหนก็บ่เปิดคนสัตธาเฉดี่ดดภพวัาคะลิตัวที่มาเบิ่งห่อเลยดิตัวจะกอดตัวกอนหนาอโตนไปแต่น้ำภาวนา หาประเิบัตรยังบอย่อมไปไปได้พรไปพิธี่ะไรนี่นก่อยๆเขามาอีกวันนวฮาระไลาเทียตะเทียคือขังที่สามนี่ออกแห้งแบบไงให้หาอุบายแบบไงไรหนีท่านบ่หุ่จักก่อนปัจจุบักจกโวงม่วมหมอนพัะท่านถึงมาขังวยังสิไปสไปใช้ก็ไปใช่ไหมพระ่นลบอกใส่อุบายง่ายอันน ดาใหม้มันแกมดาพ่อองค์ละราคาทอดแสมหาย่ำไปดาพักกะลิพวักกะลิให้ยังนี่ประโยชน์นี่ยังจะไปดาพกาักวักกิก็เลยนหนีไปหนีไปอะไรเลยว่าจะไปกระโดดเหีวตายเพราะพุทธเจ้าหูจักกระแส้จิตก็ เ, เ, เลยนี่ละมิดให้ไปเห็นเพื่นก็เลยเกิดปีตินี่ละมิดตนพระ อ, องค์เจ้าให้เป็นแสงสว่างอะไรนี้อยู่ซึ่งมากเกิดปีตินะครับ เผือกเลยกาวันคมปีตีเรอกเลยสําเร็จพะหลังหันด้วยกางอากาศคนนี้มีปัญหาสอดเขามาว่าจะไปด้าเหียงว่าเดี๋ยวเขากินกล้วยเนี่ยเขากียอใต้เปลือกมันบอกเขากล้องทิ่มใหียงสั่นก็มันว่าเป็นประโยชน์บอกาสั่นทว่าอันขุดพุ่นเนี่ย่เนี่ย้องเขียดถ้มันบอเขาใช้มุดแห้งแต่มันแกนกับขุดแห้งเนี่ยแล้วเขาบกุดแท้งมันกับเขาเขาว่ามันเขาก้นเขากี้อะไรกัน พาสุธินวเวรินก็ไม่เอาเกา่าพระองค์ด้ฮะเนี่ยตัวมัญญัดงูขาวปรุกงูข้าวปรุษมันดีสำหรับเธอแต่มไม่ดีสำหรับนักปางโข้าวปลุษงมข้าปุกคำสอนที่เราสอนของเธอสำหรับให้บรรเทาราคาโทสะโมหะเธอเอาไปบวกให้เพิ่มราคาโทสะโมหะ โมฆะบุรุษโมฆะบุรุษเธอย่อนองค์คชาตลงในทวาวรเบาของมาตุคามเธอย่อนองค์คชาตลงหลุมฐานเพลิง ม, มันยังดีกว่าโมฆะบุรุษหรือมิฉะนั้นเธอย่อนองค์ชาตลงในปากงูเห่าดำก็ยังดีกว่าเธอย่อนองค์ชาตลงในถวาวรเบาของมาตุคามโมฆะบุรุษผุ้นั้นเป็นต้นมันยักมันเป็นไปแลยตัวหันพระพุทธเจ้าเอายหงมันชีได้ผลเอียง พูนั่ะมันเป็ี่ยนไปแล้ว่เอาขึ้นได้หรืเ่าว่าเพื่อประโยชน์แกผู้ฟังผุนข่าเนี่ยมันเป็นแค่การยกขึ้นท่าหวานคือการคู่ทั้งฮกไนพระองค์เจ้าปรสดงพระยามกไปมันในประโยชน์อีกย่างหนึ่งพวกนั้นเ็รกระโดดที่เขาตายมืดม่ยอมพระองค์เก่ากระโดดน้ามตายมืดก็มีหักเลือดก็มีพระองค์หวังเอาพวกผู้ไปเบิ่งในที่ประทุบผุนเลื่อมไซพระพุทธศาสนาต่อไปล อ, องสั เส็นประจันบาลครับสร้างตัวหน้าลาชิลิขึ้นกันะพวกไม่สาธิทิศกัาสร้างนี่ซีชนะก็ใช่พวกสามาทิติทิกาเออองคเจ้าเอาบาดีอะะว่ลาลคะแนนกับผลงยลังเือนผลเบิงเหมเขาอยบอกง่ยลังเหื่อนผเบิง้งช่างตัวนั่นกเขาออกสุปปพุทธพะพเถ่าคนนี้วาแผนว่า เทียดว่าพระองค์เจ้านะ่ะออกบวชถิมลูกสาวโตซุปปาพุทธะก็พระเทวทัตเข้ากันว่านะเรียนเรียนพระองค์เจ้าไปทันทั่งบินฑ บ, บาตนะช่างตนั้นมันคาค้นมากเพรแห้งเพราะแห้งเนอะเอาเราไปเมาอีกเก้ากระออมหมามันกินเราอ่าน พอราพ้นพ้นละเมื่อก็รงคะแนนกั น, ล น, แ, น, ลกนลแล้วว่านี่เสียกันเสียคำคนแลวมึงส่งหมายกับว่าสิสูสร่างว่าไรพวกสัมมาสิฏีพวกสามาทิฏฐิก็ว่าเอ้ยของชำน่ะเป็นเรื่องเล็กน้อยชูวพระองค์เจ้ า, งง ว, รราว่าไรเขียงกันพวกนีง่อยละเมื่อนพนระเบิงขามท่นเขาไปหาพระองค์เจ้าพระอนนบอว่าท่านม่เวสาปัญญายัางนัยกวมทท่าที่ ข้าพเจ้าสิคอตายตามพระองค์ท่านกำลังจะไปเบิณฑบาตข้าพเจ้าสิออกรับสั่งตัวนี้มันมันไม่คิดธุระของตที่ตสามารถเนี่ยเฮาพอเห็นคว้วจงรักภักดีของตัวกำลาวังเฮาแล้วแต่แต่เดียวนี่มันบมันคิดของของท่านได้วหท่านคิดของเฮาเองทั้งท่นที่ย่อมตายต่างเฮากลเป็นเล่าก็หมูจักว่าท่านมีควั้จงรักภักดีต่อเราอยู่เป็นคั้วตัวของท่านอยู่แต่ว่าคิดอันนี้เป็นคิตของเฮาได้ไหมท่านว่ามันคิดธุระของตัวตัวเจตนาดี ก็เก็บไว้สักวันพอองจ่อเพ่งเมตาเลยอ่ยเมตาสั่งหมู่แล้วันหมู่พระพุทธจ้าจับหัวโอ้ยเท้าไว้ตัวเขาหล่อจังได้ก็แะเด้อเนาะเขาเหล่านอมเก้าเขาออมว่าห้มากขาเห่าตัวมัวนตัวเล้ขาเห่านนอมันตัวขาเหาตัวขาเหาเมื่อไรกอันนาเหาเนี้ยตัวเขงแห้งเลท้าไว้ มาตัวคัณจักสั่งไรให้สร้างเมนอบตาไร่จักตาไร่จักาไร่จักคนตาไร่ก็เฮ่กันเลยอาวารีอะรถูถ้าพระองค์บ่ได้นะฮะเนี่ยสร้างตัวปลาไรไร่เนี่ยพระชิมสุ่งซี ม, มาฮะเนี่ยบัดพระองค์เจ้าที่นี้มากจากปลไ ร, ร่ไร่มันเหล่าไร่เนี่มุนยุย่งยงไปตะกวนฮอกกที่ ประลับแค่แงแนงแขงงเวลาเนีนทียุ่หันจออเจ้าพระองค์เจ้าพระเดียวว่ห้พระ อ, องค์เจ้ามาจากปลาเล่ร่อยักไรพระองค์เล่ว่าเออสัตวนี่สามารถที่สามารถบัดตัวบ่ได้แล้วเท่าไรพระองค์เจ้าพ อ, องเจ้ า, าสารุปหัวสร่างหายโตโยนี่เป็นซุกเป็นซุกซะสัตว ตามสถาบันของโต้ ว, วัชันข้างกับสีได้ล่าตัวไปละข้าวนี่วัชันกระไฟเจาะผสมนิดสายของโตกสีได้แต่ควบเหลื่อมสายเห็นแล้วข้าเอ้ยวัชันข้าวอาน่าเขาบอกเป็นอำเภอในวัชันต่อไปนี่โตกในอนานาโคตโต๊กสีได้เป็นพระพัจเจกองหนึ่งเลยวัชั น, นพ่อว่าขอุฉันนะครัอมง่วงเขานตาไาร้หรือกันใจตาย เลเป็นเทพบุตรทั้งหมทังสัตว์ฝ่าคนแั่ดาวดึงสันดุสิตูเนี่อันนี้ริ่งในเวลาเพิ่นอยู่วาเล่ไร่ริ่งแตเอาห้องเพิงมาถวายเพิ่นลิ่งตัวนั้นก็มีนิสัยอยู่ออกมาถวายน่ห้างเพิงนันที่มันห้งห้งเพิ่งห่างหรือยังไงบ้างนี่ มันทิม่ลูกไม่อย่างเงื่แดกระบอจักมันเอามาจากไหนกระบอกจักอันร่งเงี้เอามาล่ะมันห่างเลยอ่ะมันสิ้งไมีน้อยู่แดกรบอจักห่างไม่ไหวกรบอจักมันไปเอามาจังไหนเร่งเอามาเอามาถวายพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าไปเห็นลูกมันจะหันเละตัวหนึ่งพระองค์เจ้าเลยบอกว่าเร่งก็เลยมาถวาย เรื่องเเห็นแล้วโอ้หอซเมนอันนี้ เ, กเ่ก็อคนทิพย์ออกสันยิบลูมมันออกพระองค์้าเลยสันนานสันนิษฐานพึงคือเต้นโยมง่านน่นโยมง่านี่แล้ววานนี้ฮันนี่ดีใจไรอะ่ะต๊ตูลงมาตายก็มองเองไปเกิดเปเทวอาบุตเรื่องอีกน่ะนี่ยจะได้น่ะ า, นสาสิบพ่อเสียว่าตายจะเกิดยังไงแต่มันม่โยงสังจนจมาน้ามองอ อันนู้นีมันเป็นกามาพระเจ้าโคศุลหมดมันปลุกสัท่าหมดอันนู้นนี้ขันเอาปรามัดลายเน่ยมิแต่ปรามัดลายนี่ยนึ่งมันภาพพรหน้าไปบมมีพระสูตรมาเป็นเครื่องหยึดถือคิดใจได้ละนันเบ็มโลดเลยเออขันมันขี่ขานพรวานามันก็มาอยู่ปริญญาตปริญญาตเหนมันก็ยังไข่อยู่เรื่อด้วยเนี่ยปริญญาตร์มมีนี่ขันเชื่อมจับภวานาหรโจกโป้งอรรถว่านะโมมี่บนอีงว่านะโมมี่บนพี่แนหน้าว่านะ บริวารปฏิบัติปฏิเวททุตามยะปัญญานั่นนั่งปุณณะท่าสีก็คือการทะเลนั่งปุณณะท่าศีนั่นปุณณะซื้อนา่งท่าสนีน่เป็นขาไท่เศรษฐีเราไม่มีวาิตาจำเขาครกกระเดื่อง นั่งเป็นคนสมามราทิฏฐีเนี่ยนั่งปุณนาทาสีเนี่ยตามเขาโย่เราเห็นไฟพระอยู่ในวัดปา่าเหลียวขืนมามเกิดสังเวชนั้นผู้ใดไปลบไปกวพนพเนองพเนเต้เื่อนแต่ไฟ ย, ย, ย, ย, ยั้งทำไปแทเพเนตึะไต้ยังห้องเพื่อนน่ะย่างนึกยมานขึ้นตื่นมือเส้ามานี่ยพอตามเขาแล้ว พูดลงคนว่าแฝงกีพูดลคนว่าห้ามกีาั่นจะคือไม่นาต่ย่าเนีพูดลงคนว่าปันเขากีมาั่นทั้งกีกีแตละคน้นึ่ของเราแฝงกีมาสั่นลก้กีกีเข่ากีมาสั่นแว่าเฮ็ดบุญเขากีก่อนอยู่เสมอนี่ละ่ะขอดพกไปจิไปบินทบาทก็คอร์ดพกไปเลยสิไปตักน้า มันกับพ่อดีกับย่าเวลาพอองค์เจ้ากับพระอนุ์์มาบินธบาตพอมาพบพลทางกันขึ้นเลือมใช้สลทะเาเราเสิเอาถวายพระองค์เจ้าขึ้นตั้มขึ้ยอมแท้วะท่านโคตรพกมาว่านคำว่าท่านยังสื่กับว่าอะท่านยังเทียแล้วเรานี่ยวะั่นของเราพ้นสิทุกวะท่าท่านกัครดพกมากนึกจอย่งไดพระองค์เจ้าของจักรวัต เลยเขาไถวายพระองค์เจ้าท่านถวายแล้วพระองค์เจ้าเ่าเลยหุ่จักว่าลจีพของนางเลยนางนุงกับทีเลยคืออยู่บนท่านเขาถทงบ้านนางอยู่กับทีนางลงหันล่ลงหนท่ากลางท่ากันท่านพานั้นเพอนามันคือว่าโอ้ยฝนสิซันในภูเขาไ่นอสันหรือไปจักหน่อยหนีทวงของป่าฉันนอสันหน้าหมดคือจังสันนี่พระองค์เจ้าบนหุ่นจักรมันเมื่อไรไม่เหตุแล้วนั่นเลยนางก็เลยนาง ก็เลยมีปั่นขากีให้น่าอ่านหายพระอานุทนเชิงหนึ่งเพออเื่อนกนังกกน่งสันอยูหวหเนี่ยเพื่นก็เลยไปบินทะบายต่อทางบานอีคือชิบะท่านขาว่านดอบคือ น, นน่าดีใจว่าท่านทนนี่เห็นเพิ่นสันให้ตัวลืมเบิ่มพันท่า ง, งูเฮาจะมาต่อตาย อ, อ, อ, อีกสามานี่ก็ได้ไปเกิดด้วยท่านเหรอดึงรูดศิรษะนี่โอ้ยกูมา่ยังมาอยกพี่เนาว่านเลอแลอะลึกมากโอ้ยมือนี้ กูได้วถวายพระ อ, องค์เจ้าสันขสนกูตายจากมนุษย์โลกมู้่าเาต่อกูไม่ยืนหยัดวาไว้ยนะแล้วมีแนวอ้างสันบางสกุลนั่งพุณณทาสีอะไเป็นขั้งแรกอะพาพุณณธาส์นั่งละปุณณธาสีเนี่ยในศาสนาพุทธเจ้าของเงาเนี่ยเพื่อนบังสกุลที่แรกพาไม่เหม็นแต่ถ้าคตที่จักศีรักผาบนไหนเนาะขสัน เขาคือจีบ่าเผาเลาคือนั่งคุณธาชาสีจังวะเดีดึงไปซากเอาผามาเหม็นเม้นเมอนแล้วพ่อพระ อ, อ, อินเด น, นึกแค่นึงสั้นหน่อนนคือนี่เรามีบวันซักผ้าให้ในกะอางหินผ้าบางสกุลที่แหลกผ้านางนั่งพุณธาชีในนศาสนาพระพุทธเจ้าของเขานี่ห้อตซบอ่ะักทักหมื ฮัลลี่ยี่สิบสองพันสายจึงมัน ญ, ญัดกระทินที่เรีกกระบงังยัดพราบังสกุลที่ช่วยทั้งหลายคอยใจว่าเพื่อนมัน ญ, ญัดพากระถินแล้วนั่นเพื่อนชิพ่าเลิกใส่พาบาังสกุลนั่นเประกาศเพื่อนพระองค์เจ้าพาชี้เคเรื่องหัตถวายข้ามือกับรับใด บางสกุลเป็นวีในใ่นต้นทิมว่าได้พระพุทธเจ้าองค์ไหนมากอะเพาอาศัยผาบางสกุลทุกๆพระองค์เป็นวีในใ่นต้นพากริธินเป็นวีในให่หนายข้างที่สองยัดเขาเนี่กรินขันหลวงปู่มันกรินั่นทุตสังตันตีอย่าวาทีว่างบ่ได้บอกไว้เนี่ยอนุสาดเด้เว้ท่นอนุโลมนำยานนโยมเป็นบางข้างบางข้าวทื่อคบอกขอเขาเสี่าหลวงปู่มัน กรจัดเป็่นพระไว่แน่คือกัดในพระปฏิโมกข้าวถึงกระถิ่นภาบางสกุลนี่นั่นเท้าิีตาบห้าร้อยสั้นก็นได้เราะฉันากระทินนั่นจะทำจีวอนได้สั้นเดียวท่ำสังฆานั่นได้สองสัน้นเ่ินภาบางสกุลนี่ถ้ทำจีวอน ต้องการทำชีวันสองสั้นกะเหล่าเตะที่ต้องการผ่าทั้งข้าชีสั่นกะเหล่าเตะอันชั่วปะนัน่นว่าไรว่ามันขาดไปแล้วปะอันเอามาปะทำะมะหาปัจชปบะทช่วงทวดงสามคอได้ยิ่งก็มูยุปาเป็นวัดหนึ่งบินถาวเป็นวัดหนึ่ง คือบางพาบางส ก, กุลเป็นวัดหนึ่งนี่เท่านั้นล่ะยิ่งก้มูในาศาสนาขเขาเข้าสุดงสิบสามช่อมวลังกับถือคือกัรนะละแต่อาเพิ่นก็บอบัาบางคับผู้บ่ถือเพิ่นก็บอกให้เป็นอาวัตทุกก็ด้วยเป็นอาวัตปลายชี้ติสุดงเฮ็ดไว้ให้ยั้งสาหรับเป็นเครื่องขูดเก่าพิเศษชื่ซื้อคนสร้างหลายว่าทูดงเป็นอตากิลามาทานิโยกโบแมีนเป็นมาติมาปฏิพทาน แต่ว่างันเป็นสำหรับพิเศษสาหรับเครื่องผูดเก่ากิเลศขันบุกค้นผูถือธุดงขนเทาถือถุดงแล้วจักรมลรับะท่นพูนก็บอกขนถือธุดงพูที่เาคนวางสิท่านพูนต่อเป็นคนสันหลวนบางหนอยอิรว่นในบัรจกการนีบาทก็บอกดูเราถือธุดงแล้วจักไม่ีผู้ใสบาดเท้าแล้วให้เลาหลายเล่าจักได้ลาบจักเขาจิถือว่าเราเป็นข้นเคงวูท่านเพื่ได้ปุงยังท่านยับปถือว่านเพิ่มถือกิเลก ในปัญญการนี่บาดบอกแล้วเดี๋ยวว่าคนงูถือตัวดงต้องมันพูดสันโดนมากน่อยจริงๆคนเฮกกระทบกระเทือนผู้อื่นกระยาไปถือเป็นท่ทีมานะ่ะเดีเ๋ยวจะประมาทผู้อื่นเราบุมีตัวดงจะถือว่าจะคล้องดีก้มูผูใ้ใดมีทิธีไปยังแท้กระยับไปบ่ไปควนถือว่าสันบเป็นประโยชน์ในปัญจญการนี่บาดนี่เนี่บอกเขาได้อ่านเพิ่จะถามว่า มหาคดปะเธอเห็นประโยชน์ยังไงเธอจังทนอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เพราะนประโยชน์ว่าลูกศิษย์ของพระองค์เจ้าฮาภูมินิจัยข้าเจ้ากสรรริดเซักเอาอย่างยังของขอนออยไปปฏบิบัติเมื่อได้หวงังเตัวเหตุกระทบกทระเทือบมุงเกื่อ น, นอย่างดอกคือมันมองไปแนวหนอกเหนือธรรมวิ น, นัย มันเนี่ยจะแค็งดีกั็มูแต่เป็นเครื่องรัดเก่าก็เสียดเซื่อๆเพื่อมาเป็นรัดข้อมนโดูมากน่อยด่าตามด่าตามมี่แล้กันพอสิตัดควอมกางวดในอาหารอีกถ้าเขาทุ่มเทียงเกียงงอนกันในภายหลังเขาก็สิได้เอาขนอยออกอ่างสาธาพระพุทธเจา้าพูดจังสี่มี่บ่ เขาก็สีได้เอาขนน่อยไปเป็นยังยางเห่าอนกนที่ว่ได้ทุ่มเทียงเคียงงอนกันเออถ้าอย่างนั้นเท่ยจงหวะพืทธเถิดเถิดะนี้มีพระองค์หนึ่งให้ถือถดอวงขวัตเข่งเขาไปนิมนต์มารับนิมนต์กับ่มาคนทางร้ายเลยดูถูกนินท่าทิทีมาลร้ายพูดพระพุทธเจ้า เขาเนีม้มาสันในบ้านเพิ่งก็ยังมามู่เพื่อนม้อนหมุนบัดองนั้นผลบุญย่อมมาทิธีมานะโพดะไันพงเกลียวฤทธิ์ทรงสรรเสรินั่นหละลูกศิษย์ของเราเขาม่ซัดเขาถือซัดเขาม่ใช่ทิธีมานะดอกเขาลบซัดจางหากดอกเขารับเนี่ยม้อนจะเถื่อเลยสมหางกษฟะรับนิมมบน่ม้อนแล้วก็ให้อุโมง์อื่นไปภาคธิบนบรวงมุเฉื่อพระพมจักรเถื่อรับแลว้ว ไม่มีผัวมาให้เพื่อนกฐวายผู้อื่นผุนเข้ามาอยู่ป่าเป็นวัดน่ะหมายความวมาบ่กเขาใกล้บ้านพ่อยีตำก้อยีสิพาเศนเนี่ยยิ่งก็มัวละสามข อ, อนี่สู้มือนั้นก็ได้ขาดๆวินวินทุตุดงก็มีหลายอยู่เขาประสิทธิ์วังขั้นตะบุษมุนอ่ะหลายอยู่มุคราดมุนอ่ะ กูมีกี่ว่าเน่เสาหมองอะนะเนาะกับเสาหมองอันนี้ก็บเาหมองฮะนี่พาคนทั้งหลายทุ่มเถียงเกียงงอนกันหลวงปู่มันอธิบายแจ้งว่าพามีหลายสีขั้งพุกาลสีโค้าลานสีใบตองแหงสีเรืองมลมาั่่มนแนวทุ่มเถียงเกียงงอนกันาสั่สีดาข่าก็มี่าสั่งมีหลายสีอยู่่าสั่งพา อันเรื่องบาดค้นกระทุ่มเถียงเกียงอนกันสมมุติบาดสแตนเลสว่าก้นไสอบาดเครือบกับวัคก้นไส่เพราะบาดว่าได้บ่มพระกรรมฐานกระทุ่มเถียงกันอยู่เสมอนี้ส่วนหลวงปู่มหากับหลวงปู่มันว่าคือกันค้าว่าบ่มหมายคั้มว่าหมันบว่าหายนเป็นสนิม่เพราะบาดเล็กมันว่าเป็นสนิมด้วยวิธีใดก็ใช้ได้ ที่งอนุญาตเนีบาทเล็กหนึ่งบาทดินเผาหงลูกกันดีเมื่อแล้วกระันลูกนางเต้ากับลูกม้าผีอันมือันพระพุทธเจ้าทรงห้ามบาทชีลาเขทรงห้ามบาทไม้ก็ทรงห้ามบาทแก้วพระลึกบาทแก้วหงียงสารพัดบักท่องแดงท่องเหลืองดีบุกบาทไม้ฮะห้ามเมื่อแล้วลูกจักกันดีัแล้วว่าบาทเล็กกับบาทดินเผาถนัดทรงอนุญาตในพระศาสนานี้ เ, เนีวยังเป็นปัญหากันยุวาบาตัตรสเตเนีพลุ่านมาจากงออมใส่รามันบาปว่าด้บุญนะฮะแล้วมันขาวว่าัวตองออมสีไหมคะว่าัตวอธิษฐานบ่ึ้นนะพนึกหลวงปู่มหากับหลวงปู่หมันมว่ได้ว่าสมัยนั้นบาดสเตเนตหลวงปู่หมันมว่าท่านมีหอกว่าท่านเขา่าด้วยบ่ึ้นมาบ่คนมาใหม่มีแต่บาดเคลือบะบาดเครือ บ, บ, อบมีหน่อยหนึ่งบาดเครือบนี้มันใชไรว่าพ่อเมียผู้จัดนะฮะใช่ไรเนี้ยมันจัดข้อในบาดเล็กคือได้ไหม เว่าบ่มกับบ่มว่าหายมันเกิดสนิมแน่ว่าสันมันบ่เกิดสนิมโดยวิธีไหมันก็สร้างโดยวิธีนั้นสบ่มชนิดไฟก็สร้างครับมันเกิดสนิมมันก็ใส่บพรารวะสันบาลีบอกว่าจะเกศไฟเปนไปวะนอธิษฐานตื่นไหานนี้ผู้ชนะบาดว่าบ่มบาดมันก็ใส่บพราแล้วพิษเกลือยังเองหันมันเขมกินเขากับสนิมมันเลยแม้ร่องทอตายเลยบอกไหนบอกของชานิอรรถว่า เข้าไปเข้าไปผู้เย็ดบอกพระวัดบ้านเขนมาเข้าเข้ามาถามเขานั่งริมมหาสมุทรอินเดียผู้เดียวเขานั่งภาวานาอยู่พระวัดบ้านเขาต้องเรียกให้แกมาถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อาจารย์มาอยู่นี่ ก็ผมจะขอทั้งสันบางอนะเออไม่มนมหาเนีกลายก็ทำมยุทนี่ยมันเป็นยังไงถามเออผมจะตอบไปตามความเห็นของผมนายดำก็เราเองเป็นผู้ชื่อนายแดงก็เราเองเป็นผู้ชื่อ นายดำทำผิดนายดำก็ผิดนายแดงทำผิดนายแดงก็ผิดนายดำทำถูกนายดำก็ถูกนายแดงทำถูกนายแดงก็ถู ก, ก, ถกมันเพิมขึ้นมันมันไม่ขึ้นอยู่กับชื่อความดีความชั่วก็เหมือนกันถ้าอย่างนั้นผุ้ทุชนคนหนาของเราเราก็ใส่ชื่อพลัรงานเอาหมดเสียก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้เป็นพลังงานมันขึ้นอยู่กับความประพฤติของใครข้ามันหรอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชื่อ ที่นีใครเป็นสาวกของพระบรมศาสนาเออผมจะตอบตามความจริงของผมที่พระบรมศาสนายืนยันสุปฏิปัน โ, โนพระกวาตัวสาวกสังโฆชุปฏิปัน โ, โนพระกวาตัวสาวสังโฆญาญาปฏิปัน โ, โนพระกวาตัวสาวกสังโฆสามีจีปฏิปันโนพระกวาตัวสาวสังโฆ เอาสาพค า, าวโต้สาวากข้าส้างโคอาหนายโยปาหนายโยนักขี่เนยโยอัญเชรีกันนนิโยนี่เนอสาวกของพระพุทธเจ้ า, าเป็นผู้ควรของคํานับควรกราบไหว้ควรควรคนบูชาเป็นเขตบุญของโลกท่านก็ไม่ได้ยืนยันว่ารำยุท ธ, ธหรือมหาวิกายเป็นสาวกของท่านแต่วพวกเราทุ่มเทยมกันบ้าบา้าเฉยเฉยเราก็ตอบตามกงสิละ พูดอย่างนี้ผมก็ฟังได้บางท่านาพูดเอาดีแต่ตัวผมนึกอยากต่อยมันเพื่อนกระเปาตามควบจิงของเพ่นนี้เนี่ยแมนแมนด้นเนพื่ออกสั่งกัแม่ควเพ่นอยู่ด้เขาบอกสิ่งกัแม่คว้า อ, ว อ, อยู่้พดได้แก้าว่ายินยัาถ้ามายุทหรือมหาวิาัยไป็นชาวบกของเราด้เพื่นนอนยืนยันแต่ว่าสุ ป, ปฏิปโนุสุยาญาสามีนี่นี่เนื้อชวของผ ม, ม่ากเก่าอนะ่ะถ้ามายุปปไปไหนสร้างหมาะัเนี่ยันว่าข่านเป็นพระสวสดบาลทั้ทาามีอนาามีอรกไปงสมุติจะท้ำเก่าอะ เพ่นยังมารับเขาวาซุปเปเมโ น, โน่ได้หือว่าเนี่ยฮะเขาเอกไปตามจริงน้ว่าให้กระทบกระเทือนไปว่าเอาดีที่ตัวอะไรก็ว่อะไรเขปัดก็ตอกนานพุจกบอกม่ันบอกคนเทานี่มเรื่องหางจากของเอาได้ผููได้เ่เรื่องไห้ขันจิ้งเรื่งหางแ่ละมีพูดเรื่องหางให้แด่กันเทาปไปไกลก้นแน่ขี่ซัดใจพอ ม, <c oughs> มันว่าเป็นเอาว่าเนี่ยฮ่อเราเอาไปยังชันแล้วฮ อ่อทำเปจริงแตงใจพ่อกับนักสงนี่ดีนี่อันเนี้ยนนขันว่าสั น, น่วมแนยพระสวดาบันกมีแล้วพระตะกทาข้ามีกมีอานาข้ามีเขาเป็นนิกายใดไอสันเขาเป็นทมยุตธ์บอกเขาเป็นมหานิกายบ่วสันนา้าวิสขามุ่นเป็นธรมยุตธ์หรือเป็นมหานิกายสันพระสุโธธนะมุน่นเดอวสมเร็จพระหรหันเป็นธรมยุ์หรือเป็นมหานิกายสันสองผมเียอายุเมื่อสกเกตมุน่น พขเามอยู่เมืองสเกตนะคนเศ้าหน้าหน้าเหี่ยวเหียวพระองค์เจ้าไปประกอดแค่ปกอดขาพระองค์เจ้าโอ้ยลูกเกยได้ยินแต่ข่าวอยู่เมืองสาวัตีเอพุนอยู่เมืองกบินลพัดผเปลี่ยนยังบ่มายเมียจะกเทือเนววาเสริรูกรอดเมียข้อยู่วสรพระอนุตผิดช่งใชหลืัเนี่ยทงระก้าถามนเวลานั้นเขนนากันเทื่อเดียวลูกอดขาโหลด เท่าเอนุแปดทิเพิ่นไปเมืสักเกตเพิ่นกับไปเพื่อสองเท่านะเพิ่นเทศยองเอาสองเท่านี่นได้สมฤทธิพลังหันดูกระหนพอนเกิวันก็เลยเข้าสู่ภาในบ้าน น, น, า น, นะมหนีกลที่ท่ามุตสัตยก็มาถวงมาแล้วก็มาห น, นี่ก็มาถอนสัตเมันพ่อมาแล้วของพัยของมันได้สมฤทธิพลังหัน ลับหลังมากนะพระอานุนกาบทุ่นไปเห็นกันครั้งเดียวว่าพะเจอไปแก้รถพระองค์ช่กอดแข้กอดขาไว้่มันว่าเป็นเรันในอานนน้อยนี่แหละพว่าธาตุถือกันเเคยได้เป็นพ่อห้าม่าเคยได้เป็นเมีเห้าม่าเคยได้เป็นป้าห้าม่าเคยได้เป็นรุ่งห้าม่าเคยได้เป็นอายเป็นไา้เป็นพี่สาวเป็นน้องสาวหรือเป็นยังมากหลายสาสติ์ติดกันมาตัางหาหอยสะอาดนกับมีอาหนุนได้หว่า ผู้ทองที่ออกมาในวัดตาทองขาเนี่ยท่านไปเดี๋ยวเบิ้งรูคนในไต่รสธาตนี่เลยผู้นี่เมื่อคยเป็นปะผู้นี่เมื่อคยเป็นลุงผู้คูนี่เ่อคยเป็นมิตรตาชางายผู้นี่เมื่อคยเป็นพ่อผู้ผู้นี่เมื่คยเป็นเมีผู้ผู้นี่เคยเป็นพี่น้องเป็นไอเป็นใช่เป็นน่องเป็นนุงเป็นมิตรตาชางายท่านไปหามันโมเห็นได้อนุนในในไต่รสธาตนี่ว่ามันธาตุหนึ่งกับาตุนึงเลยว่าจันความอนุนเอาเลยลงเอยนิดใสที่เคยคุ้นเชื่องกันมากหน่ย แต่นพวกคนกราดสื่อกันเนพอมาเห็นเนี่ก็บเล็กแรงกอดแคนกอดขากันโรดตเลยอันพวกที่เคยเป็นเว้นกัเป็นไพกกันมากนแต่ศาตร์อนา็คือกันพอแล้วเห็นสือพระท่านบอกกันกระช่างกันแล้วมันเคยเป็นเว้นเป็นไพ่กัมาแต่ศาตรกรานั่นแหละาถือกันนเนี่ยเพราะว่าคัมภีร์ธาตุเท่ากับอธิบายให้ตัวฟังนู่นนี่เลอไรเสือขระานนอันนี้พระานนทกากเสื่อมพวกองเจ้าในประธมปันหน้า นั่นปฐมปนัปน ป, ปนัญนานี่นะก็แตไเป็นโรคเข่าเรียกว่าปฐมปฐมปัญนานีนังสือผูกนนัื้อถ้หนังซือล้าเรียกว่าปฐมปัญนาบุญเขาเรเล็กๆน้อยๆไปอุทิศให้ไตโลกธาตุเป็ น, นเฮ็ดนาเหมือนมี่เนข่าศีรษยังพระ อ, องค์ไมอาโนนเข่าเฮ็ดบุญเรื่อเล็กๆน้อยๆไปอุทิศให้ทั่วไตโลกธาตุคนันเมื่อก็มดเท่นี้อ่น ว่าอันผือดทราปแผ่นแห้งได้ผลตัวอานุนเนื้อแผ่นแห้งได้กำไลอยู่เขาสิได้รับบ่ได้รับกับ เ, เรื่องของเขาเข้าหายทั้งนั้นไม่ได้ทำไรแต่พือมันบ่นมดดอกปฏิปปท่าหนาไม้บุญเทเรตตัวการหายตนบุญมันไม่ยัวอานุนก็เลยสิทครอมช่องหาย ข้าวทองเที่ยวมาในวัดตาสงสารข้าวว่าข้าวลบพระพุทธศาสนาข้าเป็นผู้เลือกเฟ้นศาสนาพ่อแห้งเลยเดี๋ยวนี้ขาจึงยอมเคาวลพระพุทธศาสนาไว้ข้ายังมึงศาสนาอื่นๆเพราแห้งแหละเนี่ยว่ามันข้ารลบด้วยความตื่นข่าวบ่มันข้ารลบด้วยว่าพ่อแม่เคยข้ารลบมากพระพุทธเจ้าเคยืนยันแล้วในมหาปรินี้พาดสูตรว่า ชาสวสดาบันณฑิาข้ามีอันนาข้ามีบ่อมีในศาสนาอื่นเลยมีแต่มีแต่ในศาสนาพุทธเท่านี้ละขันมีก็มีในนี้ขันบ่มีกับ่มีในนี้สุภัสสะไปถามพระองค์เจ้าพระรหันหมดแล้วหรือยังนั่นขณะไหนพระรหันจึงจะหมดบางพระสูตรบางตำนานก่ว่า พุทธสักาะล่วงเ ท, ท, ท่านั้นท่านี้พุทธสักกะลดลวงเนี่ยท่านั้นท่านนี้สิบ่มีพระโสดาบันสิบวมีสักกาามีสิบวมีพระโอโนาขามิอันนี้พระองค์เก่าผ่นเบาเบาซะตอนนี้เท่นทีวะทีวะเบาเบาซะอันนี้ถึงพระพุทธเจ้าสิมีอยู่นีลอยพระองค์ก็ตามแล้วกันถ้าบ่มีภูประพฤติถ้ำสมขวรแกร่ถ้ก็บ่มีพระโสดาบันสักกาคามีอนาขามี พระพุทธเจ้าที่ร่วงไปแล้วท่าได้กระซางทำนีพูกพืชท้ำสมพวนแก่ถ้ำอยู่พระโสดาบันชักท่าขามีอนาขามีอัหันกับว่าขาดจากโลกคนที่บ อ, อกวันหั น, หนอันนี้พระยินไปถามพระองค์เจ้าเหตุไนเขาจึงไม่พ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติแช่ที่พระองค์เจ้าที่บอกว่าต่ำของเขายัางผูกพัน แน่วาลมีเขาของเขาบริหารแกะกะทันทีพอองค์เจ้าติดต่อสอง ส, รง ส, รงสารว่าตอบแถบบ้านเขาว่าพอใจพิ่เจรณาอานิจังทุกครั้งอนัตตาเมื่อเขาไม่พอใจพิ่เจรณาอานิจังทุกครั้งอนัตตาอุบายที่จะเบื่อหน่ายคลายเมาเนวัตตาสงสารของเขาก็ไม่มีขอบคุณเชิญครับเแี่ยมันก็เป็นตอบอยู่ในตัวมันตรงกันคำว่าไหน ข้าถ่าผู้พ่อใจพี่น่าอนิี้จังทุกครั้งอนตาพ่อของเขาลมหาใจเขาออกเลยก็ให้ทราบเธอรับบาลมมีเขาแก่กล้าเลยมันมันจิกกับมันนี่เรียบหวานนี่มันมันจิกกับมนในตัวเด้บหวนเขาจะตอบยังสั่ว่านอ่ะเปนผมว่าตอบทราบาลมีเขาบอแก่ก้าอันนี้มันเทาแตงเอานี่ว่าเขาพูดได้พ่อใจพี่น้าอนี้จังทุกคั้งอนาตาช่รอวับาลมีเขาแก่ก้าแล้วกำังเขาจึงพอใจพี่แน้า ผู้วาลมีม่อนแก่กาพ พ, พ่อใจพิ่น่าเอาติดตัดชิ้นเอาว่านีได้บ้านผู้พน้าชี้ขาออกไปว่า ม, มันเพิ่นวเชย์ได้พวกผู้พนเป็นจานนี่ทั้งคาราว่าก็ไรพัชย์ได้ แต่มันเสียกผูกข้อปอผูกซอกมาแล้วมันแก่พรต๊ ก, ก็เลยไปตามกรรมของไ่ของมันเฮออ้ายางหน่อยอยังนมบั่นเรื่องเปเทเจราชนสมัยถึงเพียงนี้แล้วซึ่งดีซึ่งเด่นซึ่งเพียงนี้แล้วเอสุกเอาเผากินสมัยดาวเทียมแล้วเฮ้าในมาบวชเขาในพระพุทธศาสนาในมาเรี้ยนก็ดีในมาปฏิบัติก็ดีก็เลือกก็บุญวัาสนาของเฮ้านะี่ยเป็นคนสมควรเติบพอจังไหนมาบวช วันถห้าก็จะไปเป็นจิกโกะีิเกะธารพัทแล้วใายรักษาถวยปนถวยหลับจากของแก่มาควมผู้หญิงยิ่งเลือดเลืองั่วไใกลหน้าเลี้ยงมากใกลเข่าบดีอันตรายของวิสุทธิสมัยเย็นผู้หมวดใหม่สีอย่าง อดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้เบื่อต่อคำสั่งสอนขี้เกียจทาตามเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากไม่ได้ถ้าเยอทยานอยากได้สุกยิ่งยิ่งขึ้นไปอยากได้สุขในโลกามิตรยิ่งยิ่งขึ้นไปข้อที่รักผู้หญิงพิกษูสามัญเอ็ผู้หวังเจริญแก่ตนอยากให้อันตรายที่อย่างย่มยีได้ อปันน า, าปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดสาอย่างสํารวมอินทรีย์หกตาหงหูจมูกเลื่อนกายใจม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูกฟังเสียงลมกลิ่นนิ่มรดถูกต้องพลิตภัณฑด้วยกายด้วยธรรมอารมณ์ด้วยใจโพชเนมะตัญยุตารู้จักประมาณในการชันอาหารแต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยชาคนียานุโยกประกอบความเพียรเพื่อจะชําระใจของตนให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนมากนะักไม่เห็นแก่รับมากนะัก พูไอะไรไปปฏิบัติกับว่าผิดนีอน่อปันอปันนาักปฏิปทาเนี่ยปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างม่านให้อะไปปฏิบั ต, บติก็บว่าผิดเนี่ยว่าอปันนาักาปฏิปทาสูตรสูตรที่ปฏิบัติไม่ผิด<ม>พูดได้อะไปปฏิบัติกับว่าผิดเพ่นนพูดบอกกันเหมือนหรอฮะเนี่ยฮ่าว่าได้ว่าได้แตงถ้ำเน่ทำนั้นอาหารของพูดให้เจ้าแตงออกมาแล้ว กวนตัวเตียดตัวเวตียดยูมิตรละมือกินเท่านั้นมากอะไรยัันนี้ยังสีบวกกินยังสีคัดหลังจังหลังจังนี่มันเหมนกับเป็นกรรมฮาวมูเฮาตัวอสกินยังก็บกินคัดเพิ่งกะทิย่านเพิ่งกะทิลบากก็ยังพ้นหายเฮาเหมอนละพนเขาสู้พระนิพพานไปละเฮาสิไปกินเหลาประสดพระเจ้าเพิ่งกะิห่อนี่ยังเฮาสิเปิดเลนโบปราสพระพุทธเจ้าเฮาเพิ่งกะทิห้อนี่ยังเออมือนกับปราสดเท่าของเกาหันพ้ของกรรม เขาทำดีมันก็มาเขาเขาทำชั่วเขาก็มาเข้าเขานางผู้อื่นนางแท่นได้บอเขานึกผู้นึกอื่นแท่งได้บอกตะเยตะโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็ใจเป็นที่พึ่งของใจนั่นเองน่ะเดีว่าจะน่าสัตว์ที่ชั่วทั้งหลายจงมีที่เกาะที่พึ่งเถิดบุตรจอมอย่าอยู่เหมือนไม้รอยน้ำอย่าอยู่เหมือนราวเสื่อขาด ตั้ไม่ที่ก๊อตที่พึ่งมันที่ยู่ตนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจท่ามซัวก็เป็นที่พึ่งอันซัวท่มดีก็เป็นที่พึ่งอันดีฮะปฏิเสธบ่ได้ผลของกรรมโมมีมันบ่ตามท่านมันจบกระเสียนเป็นคือจังในโลงในศาสรเนี่ยเขาบอกว่มาบวชซึ่กันเนี่ยเนี่ยนะเขาเห็นบ่ดีมันก็ตามห้องมาอยู่คือกันเนี่ยนะเขาเห็นดีมันก็ตามห้องมาเขาเห็นกั๊ปานยู่คือกันในปัจจุบันศาสตรเนี่ยออสั่นเหตุสัที่ยอมเชื่ มันปฏิบัติศาลมันเลยเพื่อเอาผลถูกนวัตตาสงสารปัญหามันบาหลายด้ปัญหาหน่อยหนึ่งถ้ า, าหวังสิแครงดีแค่ในวัตตาสงสารนี่ปัญหามันก็ลายแล้วเนื่อในกูสิมีซื้อไม่เสียงก็เพิ่นนอเอจังติศิษย์ บ, บัญชาหาบรรลือนอเออข้าเท้าไปปรุงไปแตงสั้นปัญหามันก็ลายแล้วเดือดห่อนแล้ว ข้าวบปุ๋งบาแตียงตีข้าัเนี่มีจ้งไหนข้าวกระด่สันมีน้อยกับมันข้องพระเจ้ามีหลายกัมันข้องพระเจ้าขันทาวามัน้องขาันมีน้อยข้าวปฏิเดือดทอดข้านี่ยขันมีหลายข้าวปฏิติดยูข้าเนี่น้อยกับมันท้องพระเจ้าหลายกัมัน้องพระเจ้าพุทธก็มันข้องพระเจ้าเข่าเม็ดฐานเม่ดนึงกับมันท้องพระเจ้าผ่าพื้นนึงกับมัน้องพระเจ้าว่มันท้องข้ามาเริ่มกามันจะซื้อ้าก็มอบลงสันเสียหลัขาก็สบายสีตัวข้าวเนบ่ตี้าวบะ าพอเวานวัฒนนาของกูของกูของกูนเห็นเขาอ่ะกูกูกูกููกููููกเอาไปเอามาแล้วแดงตักเอาไปเห็นไ่มดินพพวกกวพวกอะข้าหมอเป็นของพระพุทธเจ้ามดสยล่ะใน่ตโลกธาตุเนี่ยมีหน้อยไม่หลายก็หมอเป็นของเพิ่นมัล่ะถ้าเว่ามันของเข้าเขากินขี้กินเี่ยเอาเพิ่นเฉยมีหลายสมมติว่าหลายขากับเดรทอนสมมติว่าหน่อยข้ากับบเดีรอน ท่นท้าวเป็นวัดนะองห้องมันกรจบจ้สีดังปึงตอยอดเจ้สีเดือดห่อนยแล้วง่นาแม่กูว่เคยสู้ลนเนี่ยกูเพิ่งพอยสีพิงพอดอกอของท่นว่าหมอบร่่านลพรหลยปีพันปีตายขม่อบบเมื่ออ่นเไปยังนี่บอกว่ถือได้ดิ คันยังยุกไปบินทบาทเนี่ยจักรยนย่างมูย่งมนี่ยตายมือแรกเนี่ยก็ได้อยู่นี่ว่าที่ตายอยู่เนี่ยอันส้าว่าที่มีชีวิตอยู่นี่ยน้อยแค่ไดนหใจออกบาเข้าวงรูขับรถตายหันใจออกบาเข้าวงรูขับรถตายหันใจเข้าวงรูบออกับรถตายกับบักล่าเลยอนี่เห็นโควบตายมันไม่มาทุกด้านนี้เดียวเนี่ยกินเข้าอิ่มแล้วผอนางเริ่ม สุญยายบาบยาบก็น่าสุญยา ก, ากับไปจ่อยนีมันเห็นว่าอะลรนะคันนี้แต่ผีปัสสาวะพ่นแปดิเหมือนพ่อนอนใจแม่เดียวเนี่ยผีภาษสาออกมาแต่ได้ทองเขาไม่อยู่พระพุทธเจ้าขขาเห่ากันเป็นกระผ้าขึ้นกันทะแล้ะยึดร่นแม่พ่เพิ่กับเขาสู้ สวรรคนดไปเน่ใครที่ว่าเป็นกัผ่าจะคนพ่อก sure. ัมแม่ห้าตายพร้อมกันบอกเป็นกัผ่าผู้คนผู้คนนั่นเป็นพ่อใหม่แม่ใหม่ทุกคนนัละพวกกัมแม่ตายมือเดียวกันเห็นไหคนละวินาทีอยู่เห็นว่าห้าแก้ก้อนเพนผู้แกกอนห้ากัมีมูดที่แก้ที่รังห้าก็มีม่เก็บตัวือกันใจซื้อกันเหนว่าห้าตายก้อนเพล่นผู้ตายก้อนห้าไปแล้วก็มีมูดทตายที่ังห้าก็มแม่้าเป็นายตายกอนตายวุ่น หววุ่นกันอยู่ในโลกอันนี้ว่าผู้คนนี้ตายไะไรเป็นสรอาหารท่านเนี่ยหิมาเด้อลูกหลานเด้อยว่มาหิมาคำสอนแต่ละบทละบาทเนี่ยอุปมาคือเอือบ่มีกับเมื่อนตับขื่นมาโยพีท่านถึงยังไรใครประพฤติเป็นพระพุทธเจ้าคือเฮาอ่างนี้ได้หรพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้สอนหน่อยเลยใครดีทำดีเพีได้อวะสั่อุปมาคือไฟไหมเหืน่นนเดี๋ยวสีเสียดายไยหลังเด้รที่จมได้ สัตยอยู่ในวาระหกคือกันทะเลในสมารส์สมสารห้องจ่อยจ่อยบกูหน้าเล้วเรียกแท่งตาแล้วเสียบใสห้องเจ๊ยจ่อยบกูหน้าสัตยสงสารเลยย่าผ้ากันเปื้อนหิบสางท่านสางศีลสางพาวานาเน้อมาสั่ยว่าไปขึ้นต้นใหม่ว่าทีได้อยู่บันดีเกิดเป็นเล้าเรี้ยกล้มในสมาร์ทสมสารน่ะเดี๋วมาแจ้ง เ, เป็นหนังสือไทยก็ได้ พูดเป็นคำไทยเขก็ไม่จริงก็ออกมาจากหนังสือล่าเวทนี่นห่ะมาแต่เป็นคำไทยใช่หรือเปล่าสมผูดมุ น, นีิก<ส>ารเช็คซับ<ส>ไว้ ล, วไลาย ไวนนน่านแช่งสซกันนั่นสหรพากกรรมฐ า, านนั่นเหมือนหัวกมีลองลองหลั ง, ลงของหลวงพู่มันนี่แล้วตะกี้หรือบวอรเรยหลวงู่มันพนจน้ำหน่ำเคยยังนี่พรกรรมฐ า, านพวกครเอาไวหนานอันนี้ก็ขอเขาเรียงซีวิตย์โดยสันพ่นกว่าบุญนีับวชมาในตัวมันด้บุญโดยสันเขาป้ามาให้บวชในช่ว ง, งสิไปในเขาเฮ็ดบุญให้อีกเอาไปค่อยไวแหงนี้สันค่อยขูดคอยเก่าค่อยยังพระกรรมฐ า, านเท่าพจนเอาของสันหลวงพู่มัน แต่ว่าคู่ว่าอาจารย์นโมเพื่อนนะพอใจว่ากระดูกพนไม่ค่าก็เลเยใฮเอาไปหอดตะกวนไปกินขนมเนอยอะสักน้อยตะกวนสนอเรื่องมันพนิยัญคงมากเพราะว่าเอาบุจ้กากรมเขตะควนน้าพัศนมันพอสิได้ก็เอารวยพัศนอันนี้ก็ปลอมมาปลอมาด้เลยไมพันลูกโบลุกล้านเข า, ๆๆๆ า, า, านนได้บุญน้ำบอกเพราะว่าพนิยัญคงมาพอไปเนี้ยสูพันธุ์วได้เลยหอฮะนี้ยพนิยัญคงมากเขาโงหนุ่มสคนเถียงสงสนะมดจาคนทํนาไประเดก็บด ท, ทุนทาง เหรีใกล้หบร้อยเพื่อนพื่อน่ะเพื่อนสร้างไว้เดียเดียวมันเป็นเรื่องธรรมะของเพิน่นนะข้าเอาไ ว, ลวล้ลยว่าล้มล้มผู้มันสร้างไว้เดียวเดียวอีนีน่พระพุทธเจ้าเอาไว้เจ็ดมื่นนานั้นขอนนจริงพระพุทธเจ้าบ่ได้ว่าให้เอาไว้เจ็ดหมื่นได้ไ้เลยจะว่าเทวดาว่าให้ใหม่ที่ซื้อเพราะพระมหาาปามาเ่ราะท่านมาถึงมาเลลูกค้าเทวดาเทวดาได้มือใส่โลกาธานมาเห็นว่า บ, บ, บันดาลว่าให้ใหม่ ได้วันที่สามมัน่ะพวกมันลักกริย์เอาายไปไปจุดสามที่โบโบใหม่โบมันพระไปจุดพวกมันลักกริย์เมื่อกุชินาราพวกกระซักพวกมันลักกระซั ก, ไไปไป ก, ก, ก น, กนกกะซาลวนโนทยานน่ะที่แต่วันออกเมืองกุชินาราพวกนี้ไปเบิ้งมัดท่ายหุ่มใหม่ห้าเบิ้งฟอง พ, พ, อพอมหากษัตริป้ามระท่านว่าพ่อมหาพอมหากษัตริย์ป้ามาหอนแล้วลวันที่เก็บพ่อบอหนึ่งอยู่คนทา่าเพิ่นเอาดอกบนท่าถือไปอดอกบนท่าตัวเอามาจะใสนี่พระท่านมันตกม่านมาจากเมืองสวรรค์พระท่านมาบูซาพระองค์เจา้าเฮ้พาพระท่านผู้ข่าวเก็บมานนี่พระท่นพระองค์เจา้าเฮ้าครบเก็บวันนี้ละพระท่นมรณะภาพ นิ่พ่อไปโทรเกตวันนี้แล้ววะสัูปัตท์ผู้บวชต่อแก้ผู้หนึ่งก้าวช่วงจาาว่าอ๋อ น, นี่พระพิกซูผู้เป็นพระสวสดาบันกระห้องให้อะฮะน่น้ำตาพังเหงยาวๆทเท้าบุทเทเวลาก็กินเกือกไปมากอืพวกถึงพระอนนานาคาะมีไปแล้วถึงพระอาหารไปแล้วกระ บ, บอมีตะรงรรมสังเวชพิคิดไปแล้วกระตาบะไหลพระเดาวันน้ำตาไหล อ, อ่ะเนี่ พวกนี้พระองค์ไอคีดืนโอ้ยพสันมูตูเสมาสร้งไปหายเทว่าระันมันมันสบายห้อยใจเฮ้าสันนี่ยมือเสว่าบอกจอกจแก๊กกนั่นน่นนี่ๆี่ำข้านพันเออตีหนาตีหลังหิมยิ่งยำยัยถ่วงหนาท่วงหลังว่าสันนี่เฮ้าจากเฮ็ดจังไนเฮ้าก็เฮ็ดตีกราเพาะตายไปแล้วพ่ะสันเาขา กระดูกพระมหากคาถาอะไรแบน้เขาหัวใจของเพื่ ล, ล้วกาเลนงัไว้มึงเด้อเอยอนี่เอาไว้ชก่อนคนหละ่ะสีสังขัยน่าเะแล้วสบพระองค์เจ้าคนนีพระอานนท์ยังห้องหายน้ำพระองค์อยู่น้ำตาพงัางเหยาวอยู่เพราะถึงพระทวดาวานันน้งมาธยนพระอนาคามีพระอานาคามีจะบวชอะไรอย่างเี้ยะ พระาหานะยังยิงลายละ่ะตลงทําสังเวชีซื้อทำอะไรไ่าเลยบกพ่องมันมีอยู่บริบูรณแล้วหมดหรอไม่จ ะ, ะหา้าวทเอาผายมักอนไรเห็บเอามักพุทโถกเอาพุทโทกได้ว่าได้ไปยืมเพื่ออะไรมักทโมกเอาท่าโมได้ว่าได้ไปยืมผู้ดดผดะะ่ดอไม่ว่าล่ะญาณพาวนาในก็ะดาษที่พาวนาเมตตาก็ได้ ห้าว่ะฮักห้าวโบยินดีใน้ทุกสัดทั้งหลายก็ บ, บ่ิยินดีได้ทุกข์ขึ้นกันเอาห้าเป็นพระญาณหล ะ, ระพรเมตตาทุกขนทั่ทางใจโลกธาตุจงเป็นุกในพุทธธรรมสงอยู่ทุกเมื่อจังสรนก็ได้บริกรรมติตต้อยอยูย่จังก็ได้หรือทีพิจิรนาพุทโธพุทโธพุทโธ พ, ทโทพร้อมลมหาใจเขาออกก็ได้ดีก็ระพิจิตรนาลงกิจท ง, หหงเห้าห่างเหินออกจากพระพุทธศาสนาเมืองลูหัน ห้างไปท่านไหนแห้งหอนไปทา่านไหนอีคอยไม่คอย เ, อ, อ, ยเ อ, อื้อไม่ได้เออมีท่างเดีอวทน่นันเว่นส้างท่างกับขสาหลวงวพระพุทธเจ้ากหนะข้ า, าขวบะเบงสมเนจพระบรมราชาบ่ชสมเนธพระบรมราชาบวชไปอเมริกา เขาถือประเทศทางมีแน่นะว่างหาหกปีหลังกันเพื่นทายหูวมาเข้าเห็นพอทหารเขาเขา้ารบมาสั่นฝันยังยืนจสับปลึดไปเดี๋ยวบ่ามันพระเจ้าแผ่นดินเข้าดีๆเขาเป็นยังมาเขา้ามันบ่ามันบุญหมู่ฮันเขาก็เป็ขน้นทางค้นมีนะฮะ ห, าหา้าในห้าเบื้องสมเบื้องสมสีสันวันของพระบร ม, มราชกษัตริ ย, ราาย์สุบโขทัไการกวนเทวดาครับยังมุตัวา น, น นั่นแหะอานาจของบุญเพืนบ่คือเพิ่งเขาเดินขบวนวันหนึงห่งฮะพวกนี่โส ต, ตายตามพบว่ามราซามีแต่ะขอดนึกซื้อเขาก็ไปเขาทิเฮ็ดยังได้วันเถอะเขาไปยืนไปตับไปตับไปตับอยู่ในพบว่าลมลาซสว่างรักษาไฟให้เพื่นมันยังบุมันบุญเพื่อนบ่เขาที่ยาในยังขอดวันพองนำนี่ตะปืนหมตัวนั่นบุญให้พูดเอกตะเกิดสั้นสูง ผู้มีตระกูลสั้นสูงพระผูที่เจ้ากษัตริย์เหล่านี้ฮ่า ส, สงสัยอย่งเง้ัน์ผู้เขาไปหาผู้บ่าอาจารย์พ่อแม่คู่บ่าอาจารย์เข้ารบับทือว่าสีต่วนถึงทงัเนเกิดเนีเกิดจากการตระกูลสูงตระกูลผ้าบ้างตระกูลเศษรษฐีบ้างตระกูลพ่อโืลอมราซาบ้างาเนี่ยมูฮั่นเนี่ยควบเขารบว่าป่านชนโตจังเลยว่าเป็นคนเจ้าหน้ามูฮั่นว่เสือพระเจ้าจิไปเสือผูดไ เฮ้ยห้องพัน่อดีปันพระพุทธเจ้าปัปเจ้าพระนิยังมาสักขันเฮาเอาผู้พ่ปันเฮานี่ยมาเป็นอย่างย่างเฮาปัจเจ้าชัวก็เพิ่นตำพันเถื่อนได้เฮ้ยเอาผู้เพื่นดีก็เฮาจนว่ามาเห็นปันนันเฮาปัจเจ้าดีอยู่ซเอาคนจาเฮามาเป็นอย่างย่างดีดีกาเฮาได้รดเฮาปัจเจ้าัวก็เพิ่นจำพันเถื่อนนีก็ฆ่าคือนกันได้นีกระไรว่านักของขันทู จะเอาผู้ดีก็เข้าไปนะเป็นอย่างยางเข้าไปยังบูดีทอเพลินที่เอาคนทาเข้ามาเป็นอย่างย่งไ่รั่นช่วงช่วงก็เขาไปหอดู้อยู่นเบิ้งพหมนอนะบ้อก่วงก่อนเขาไข่ระบ้อแต่เราเขามาเป็นย่านย่างช่วงเขาไปตะพั่นเทือกบนที่ล้านคุณเพียงปวตื้อติ้วเสลี่ยสิวคุณเพียงเป็นนิวสร้างสามปีเงียบวอกอกเพว่าเะไรนนับแต่บุลลันนับไปหอดู้ติ้วเสลี่ยสิวที่หอดไปไซอีกว่าสั่นถามเขาสักีโยกเป็นนิวสร้างสปีเงยบอกอกเาสั่นเขาว่า ตัวเราบุกตัวก็เลยไม่จักคว่มสิบเอวทางพระพุทธเจ้าเขงเขานับถึงอาสมไข่ขังทุกวันนี่ความนิยมของโลกนับเป็นจำนวนล่า เขาที่มาเฮียร์มิซ่าเห็นไพ่ในวรดตาทรงศาลได้เดียวนี้เขาเพิ่มมาในวัดตาทงศาลร้อยศาสตร์รยลเลย เ, เ, เนี่ยมันมาบนบานผู้ใดเมืองผู้ใดนี่เขามาอยู่โซ่ข้าวเื่อนี่หมอกหายมดตโลกระตางนี่ ก, นนก็เพิเอาได้เดียวเนี่ยไม่จะเป็นเพนินเพาอได้เดียวเนี่ยจากสิไประยูก็ไผ่มมวนตายผู้เดียวซ่อม ไทเป็นเจ้าโลกมุ่งพูดเป็นเจ้าโลกเลี่ยกินก็าไม่ได้เป็นเจ้าโลกรัฐเชื่อเขาไม่ได้เป็นเจ้าโลกอเมริกาเขาไ่ได้เป็นเจ้าโลกไทก็ขไม่ได้เป็นเจ้าโลกมีิตรควมตายนี่เป็นเจ้าโลกวุ่นวายกันนู่นนี่ลบล่าขาฟันกันมาแ น, าน่นตัวาพายเป็นชุจกจะข้นท่านว่เห็นบะไดอยังผลที่รุกกะมิจะตายเลยนั่มันแย่นคว้วมมันพิดขั้วพระเจ้าจักเนี้ยเลยรุดทีทีติไปผูดย้ายยับไปโลกอันนี้ทำสันสูงเลย เบื้องตนสอนในธรรมาหาเหลี่ยมชีวิตในทางที่ชอบเบื้องปลายสอนในเบื้องในในวัาสงสารจักสอนที่รู้ธมรมเนี่ยนก็สอนอันยินดีในปใจัจจัยที่จริงว่ามินทบาทเชนอชนะและเพศสัตวี่ได้มากโดยทางที่ชอบเลย mm hmm. เพื่อสี่ดาปฏิบัติพวกมันกันเพื่อพ้นทุกข์ว่าในสัตว mm hmm. ์นกมินนิยาโลอพโอชนังนิเทยปภะชาตาทะเตียายาวเทียมมุจหัวกรณีอยู่ช่งหายไปมินทบาทได้ก็ว่าลากเรือเฟือ้องล่ะ อวย่างไรสันทนนี่ยเจ้าว่าเขาสิหายบ่าหายบุว่าราบเรือเฟื่อแล้วพ่อทีปฏิบัติทุกอย่างยืดดอกอกระปาเียโกกระปาเสียกังนุ่งผ้าฝ้ายกรลาบเรือเฟื่อแล้ว่าสันพ่อทีปฏิบัติบัติใดยืดดอกเพราะว่าปฏิบัติที่วัดฝนทุกไดยืดดอกเพราะว่ามัวหอบฝ น, นบาัวาเร่อเนี่ยนเนี่ยบนเป็นผ่าน้มิตรสลินพระวนาบ่ลงนาเพือพ่อฝ่าวาอยู่คันเนี่ยไม่รอดมันไปกี่เลยไรสนะขันบวชขา่าหรพระองค์เจ้าเนั่น อิ่มคิดอิ่มใจอยู่ทั้งพลวัตมันวุ่นว่าท่านว่าสันยังหันยังหามือเรยก่าสันยังหันเม่อ่านีมกนในพ้าเนียงเนามันอิ่มใจมันได้ออกมาอ ย, งงม อ, ยอยู่ทั้งบ้านมันหนุ่มเขานี่ยปวดข้าหิ้วแต่เข่านี่มุ้ยผีตีจังเม็ดพ่อพุทธเจ้าท่านเนี่ยเป็นสาสตรกษัตริย์แท่นี่ ไปบินทป่าเนี่ยกุงอาจจะคือเขาบอหงแจหงแจงหอหยั ง, องสอมือนเสร็นเขาก็เทลงหันแกงเขาก็เทลงหันแล้วเทลงหันออกมาละพระองค์เจ้าออกจากเมืองหลาจะคือมา่ลไรพระองค์เจ้าลสองมงบาท น, นับจากอะไรซะโอ้ ย, อยจะตง้สิกืนร่อคือหากหมาแทะพิกบาทาลุ่นเนี่ยตัวออกมาบวชแล้วถ้กี่ตัวกระากรั รถซื้อได้อาหารมาใสดีตัววังมาซื้อสัตออกในวัตตาทองสารวงแมวนบอกช้นอนเจ้าของมอันอยู่ในบาทซ้ำนี่นี่อันเป็นอุจจารออกมาน้ำมันเป็นหอยข้อนี่บอกอันนี้ชอนเจ้าของอันนี้ต้องัสิงเห็นปฏิกูลมันตัวก็จปวงให้มันตกตี้ตัววงังซื้อสัสออกจากวัตตาทองศาร ต, ตัวตัวสามาลมีมาล่าสรแล้วพบแล้วนจนตลอดทั้งนี้แล้ว ตพระเจ้าติมาเกิดท้องไซย่ายังไงว่าให้จะาของพระองค์เจ้าพี่จ้าหน้าลงคักแล้วสันตุเล่ชันในสบายโอซ่ารถไปทั่วคุ้มขนคุ้มผมสันเพราะพี่จ้าหน้าถือเลยถือสมมุติแียบนะมันเนาะมันถือสมมุดบอแซสียบมูเฮ้าหนี่ขยเมื่อไรอ่นนนะห้านั่งที่อั้นพระองค์เจ้าไปบินทัพ้าดได้แต่เขา เป็ชาติกษัตริย์แท้ว่านเถะน้องเสียสนับไปนั่นละ่ะซีซีดูคนซัดออกจากวัชาสงสารมูเฮ้าวันาาน้องเสียสดับนไหเด้อันไหนก็ไม่ท้องเพินหมดพวกมูเฮาปฏิบัติอยู่น้ำหลวงปูมันกระทนมาบองไม่พอบ้านซ้าเกะเอหาห้าล้วจนต่างไหนมันลม่ม เม็ดวัดเ น, นมีนาฬิกาอันเดียวของหลวงปู่มันไฟสายก็มีบอกเดียวของหลวงปู่มันห่อได้เอาตะเกียงกระปองน่องไปเห็ดตะเกียงเอาสมัยยุ่นําหลวงปู่มันกระปองน่องไปเห็ดตะเกียงแสดงเอากระดาษทอเห็ดโป้มันตะเกียงควอมล้วนล้วน่ยมีอยู่มันห่างไงโพดเมดวัดก็มี ยังจะพยุห์สองดวงเท่านั้นละ่ะหน้าวัานก็มาหน้ามุ่นเอาไปกับพ่อมหาผู้บานเอาไปอันนึง่งถม อ, อกมากลบวไม่ใครจะ้ใต้ถ้าในเมือ่อจะได้หมก2หมก3หมมกสมมุตนี่มันโกงกันคำเลยได้หมูห้อง มัตนตวรถลงมาแส่ล่องเท้าสงสงูงเจ้าแข่เจ้าแข่เขามาเช่และ้วจะเพิ่นยัง่าอากาศดีได้สันได้แก้มอบมกพักหวานได้จาแก้วเนียเพิ่นอากาศปวดหมวอะไะเมื่อนบอกใกล้กันเถอะเทุกครั้งพูดทีเจ้าของเขาขขเขา ข, ข้างรลงผููมันเดี๋ยวจะตายเอาตายเอาตายเอาซิก อ, ออกไปโอ้ังมันเขาเล่าเเขาแล่ขาฟันก็ไพ่ไม่ได้พ่ออันเนีเนื้กรลักเงินเขาจะตาลอดทันไปซื้อยาซองสูบ เวลาของเงินพองเงินเมยเงินน่ตลอดเขาแปรซื้ออย่าซ่องสูบหาจะเอาเงินซื้ออย่าซูบก็บรกุกลมสั่งที่ออกไปก็ได้ถ้าการปฏิบัติมันดีแข่งกับกิีรีจะของหผนจะไปแข่งกับโลกแขงกับโลกมันจะสุดเป็นบอกว่าเ้ากันดั้งเขากระโ ด, ะดว่าเ้าเขาหมอกเขาเปิดคืนขี้ตอผลจะวางเล้ แค่กข้กิเลสเท่านี่สปตปฏิบัติเพื่อผลทุกข์หรอปัจจัยซีมันคอยเป็นไปรอกคอยมาดอกมูเห็นพืดได่ได้แก่แก้พาไปบินธบาทเจ้าก้อนออเวย้ยมูเห็นพืดได่ได้สั่ซ้ขิดินจ้ก้อนอะเวย้ยมันสัเ ข, าข้าอะเวย้ย นั้นไคิดเพีายงเจริเืองว่าบัด น, นี้เรามีเพศต่างชาติขึ้นแล้วอาการจริยาใดๆของสมณะเราต้องทําอาการจรินญานั้นๆัสองความเลื่องชีวิตของเราดังด้วยผู้อื่นเราคนละตัวเขาอย่างง่าย3มอาการกายวาจาอย่างเดิมที่จะทําให้ดีขึ้นไปกว่า น, นี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้4ีมันไปคิดเพี้ยงเพี้งเจริญเมืองว่าตัวของเราเองตีเตียนเราเองโดยสิ้นใดหรือไม่5้าผู้ลูกใครควรแล้วตีเตียนเราได้โดยสิ้ น, นหรือไม่ก็เราจะต้องพัดพากจากของรับของขอบใจทางนั้นเ็เรามีํามือของของตัวเราทํามีจากได้ดีเราชช่ววจะั แปดนคืนล่วงไปล่วงไปบัตรนี้เราทําอะไรอยู่เพื่อติเตือนให้พระวนาเนี่ยันขึ้นล่วงไปลกไปเทาเห็ดยังอยู่เดี๋ยวหนีมาเพื่อเพื่อติดเตือนให้เจ้าของภาะวนาเจ้าของพิชชาณธรรมะองเจ้าของอันใดอันหนึ่งคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทําให้เราไปพู้ไม่เก้อเกินในเวลาเพื่อนมันสชิตถามในการภายหลังเท่าถือมาแต่ข้อต้นเน่ะเพื่อนมันไม่ชิดถามเรื่องสมารถะสมรรถะเทาก็ตอบได้ที่ ด้วยมันอันนึงกับอันนึงแหะเขากอบว่าเกิดว่าเกินแหละเรายินดีเลยที่สังัดหรือไม่คุณพ่เศษของเราไม่อยู่หรือไม่ที่เราจะทำให้เราเป็นผู้เมเกอเกินในเวลาเพื่อนมันไปคิดตามในการภายหลัง มันอยู่มีมันเดียวเฉพาทุมเทสใส่หรมมีแต่นํามนุษย์โลกสัดโลกเนี่ยพระสพเป็นสตายนัามมมนุษย์สรนั่งกระชามิซัโลกสรนั่งกระชามิเมนี่มรคนี่พาดกับคนมีอยูก่ก็สิบอื้อไส้นี่ฮะนี่คนมีอยู่แต่ไตโลกระทานี่ย ก, ก, กับพ่อทุมเทสยุยอันบนอยู่นี่ม อ, องสั่มันจิตใจยวยว่ามรคนี่พาดมันเป็นของ สนุกลุกสวายว่ามาเกิดแก้เก็บตายวะสินะปกติเอะมากเกิดแก้เก็บตายกยอเราปียแท้บันดีสลยบอกสนนางภาวน่าบทอแม่ห้านางยูไฝสซำก้นกับเอือบเกือค้นโบราณเพราะหาไม่กะให้แพ้ดีง่ายยิ้นนำหอนนอนข้างแม่สนแน่น ยูยี่สิบมื อ, อคนค้นยูไฟสมัยโบราณกระบูลมันจังแหงซุมือนี่บวระแหววได้ยูฝันวัดได้ส้นถูกฝันเพราะอยากข้าเก่ามีทมให้้าเดินจิบโกวสันวัดทอพอเข้าไปแบบฟื้นมากซ่อมแล้วนึงเรามาเลี้ยมมันนั่นซ่อเบี่ยมลงซ่อ นางพ่อวันหน้าก็บพ่อทมีนางอยู่ไฟสั่งวนนั้นนว่าวา่าฟังข่วมมันบมเมอนนี้ต้องคืดได้อ่นมั่นี้งเห็นว่าลูกายกินยั้งไั่นข่าปากลือก็ได้เอาายกินพ่อแม่แต่ว่าลูกเก็บลูกป่วยไหมั่น พ่อแม่ก็บ่ชสบายนำ้ำพ่วงข้านเป็นนึ่งทีตานึ่งกับตาโพลตานึ่งก็เวิงลูกไม่อยากจะไปตกเขื่อนตกซ่านชวนพ่อไปแบกของหนักมาจากทางปลาทางเมืองพูดในว่าคุณพ่อคุณแม่หมู่มีมประวัติบาทางนึงให้พ่อแม่งอ่อยขี่ลีดนี่ยไปแก้ ก, ก้นให้พ่อแม่ บอทอปฏิบัติชิ้น ร, รมอุทิศหาพ่อแมย์บอทอบวชปฏิบัติชิ้น ร, รมคันพ่อแมยคือทอดเท่าเวลาพ่อแม่ตายคันลูกกูเพิ่งบวชยุหันเป็นพระยุหันเป็นี่นี่ตายค้าคือทอดโลกคันไปสวรรค์นเนี่ยพ่อแม่ตายค้าคือทอด บักนั่นเกยโยหันอีนี่เ อ, อยู่นี้ลูกผู้นั้นเป็นท่นไปเป็นเกียร์ตะปาให้เขาไปเป็นไกล้ให้เขาฮนะน่ะไปเป็นม้าให้เขาฮนะน่ะไปเป็นงัอเป็นคั้วให้เขาฮนะน่ะไปเป็นลูกเขาฮนะน่ะคันขึ้นหอดลูกผู้บวชอยู่นั่นไปเทวโลกพุ่นหมอของสัตว์เอาหลดว่าตายค้าขึ้นหอดลูกผู้บวช กำลังขึ้นหอดบักนั่นโยคุณอีนี่ยยพี่กำลังขึ้นหอดทุ่งนั่นมึงนู่นไปเป็นเพลดเป็นพีน้ำเขาคนไปเป็นเกียรติปันว่าขันหวเขายุขับไปจักแล้วพระพที่แกาบอกไว้เบอด์ละมั่นเยอาสนนักรรมกรรเมื่อโวนเกียนจะตายเป็นของสาคัญมากอาสนนักกรรมกรรมเมื่อชจนเกียนจะตายสีสร้างบุญสางบุสวนอรท่าไรกระชังคันไม่ได้วนเกียนจะตายไปนึกถึงท่างบมดี้าก็ต้องไปเสวยทางบมดีสะก เมือนอน่ออายุสกันนั้นจังมาสวยทั้งดีลองสั่นกอกเรนไกยักษ์ขอนตายะักษข้อนให้มันดีพี่แกหน้าอัุภ์พะให้มันดีสามอนนีนหน่อยสิบหาสิบพกสิบเก็นี่บุคคลวัวพี่กหน้าอาัสภะ์ะ วัุฟังเ่พิจารณาสะกุลในาร่างกายให้เห็นเป็นชกป ก, กโฉมมุมสวบรลดสวบรลดสันดั่งหันออสมมุติว่านอนเต็มเยอะในบาทผุนเยอยๆผุนมันจังมันมันจังสี่ระ ง, งับจังสี่บันเท่าสมมุติว่ากินทีผุนกินเขาก็กินทีกันเดียวคันนว่าขเขายะขึ้นเดียวเท่านั้นวะท่านตู้มเสาร์กัดท่อนไม้เป็ดๆเนี่ยอันนี้แหละเสแฉมันมันน่านเนี่ยมือเ้ามากผิ ปิ้นก้นเขาคุณทอมล่าปิดๆอันพนวาแสบมันเั น, นตงพี่เจ้าน้าวัฒนลาคาเ บ, บาบัวเบาขันราคาเบาเบาเนี่ย น, นึหน่อยที่เจ็ดที่แปดนอนไปสุกกะมาจากเขื่อนบุคคลผูพีพเจ้าน้าอาสุพาัอสาุพังเลสุกะเบาเขื่อนพรวา อ, องศนเบื้องพระรา ห, ารเหัเราไม่มีโลยพระอนาคามีก็ไม่มีเลย เห็นท่านสัน่นบวชที่แหลกพญาวาเกซาโรมานะขาชันตาตะโจตะโตจันทะนะชันตายะขาโรมาอาจารย์ผู้วสละบุบาฟาวบอกตาจ้ากรรมฐานราคามันกำเริบมันไปถ้ำหันเสียพ่อมอาจารย์เอาละเวลาสนิทกับพ่อแล้ ว, วสัน่นวันนั้นจะซื้อซาไม่สัน่นเพรเวลาบวชมันไม่มน้อย พี่ชนะปฏิคูลขันภาวานาบมล่งขีออกยกหัวดาขันมาดมมันใช่ยากอันยั ง, อยงเอามือนังแก้ขียกหูดาขันมาดมขนมาวานาปฏิคูลโมล่งเรียพอมมันมางอยากต่ออยากใสขีแท่งองมือขันมะดม เดี๋ไปขี่สถานขันพระวนาอสุภะอวบลงมันสิ่งอ ย, าอย่างเงี่ยงบุญร้ายตัวเจ้งไหนมาบวชยูนี่พระิษยพระศิตตายก้อนไปกันพระศิตตายรุ่นกันเนี่ยว่าใคบอกถืงเนี่ย ผู้เท่าตายก้อนผู้นุ่งก็มีผู้นุ่งตายก้อนผู้เท่าก็มี่ได้ัอ่าพเห็นยาตบอดบ่อผู้ไรกวา่าจะผู้เท่าที่ไปปางนถรมาศาสตร์ไปก้อนผู้เท่าลายก็จบแล้วย <laughs> าตอบอดยาเที่ยวนะเขาเข้าใจบ่เพเขาจ้ผู้เท่าสิยื่นไปนั่นซ้ำนะบ่เบอกสันวานตานลยคะ มาเกิดก็ไม่ได้เอายังมาเด้เอาที่ใจดวงเดียวเรวมาหมุนทองแม่มาวัดไปสีจังได้ยังไปก็วกัเนี่ยแทะเอาเท้กุศลพ่นบุญเอาเท้คขมดีส่วนตัวไปก็ได้เพราทีว่าห้องขาดทุนนี่ยังสันห้มาเกิดห้องไหยังมาสันเพราะ่าเห็นใขาดทุนมันกับบขาดแล้วเล้วถ้าพอมีล้มไส้คิดให้แก่ห้องหรอกับบขาดทุนแม่วันเอาใจดวงเดียวตัวมาวัดไปห้องก็สีเอาที่ใจตัไป เพื่ลกชาตองกานให้กับพระญาเตโซวดตัวตัวสิบายลงไปปุ้นน่ะนี่จะควบตายเนี่เป็นเจ้าโลกเห็นควบตายคณะนึงก็เห็นรอบโลกละโลกเต็มไปด้วยควบตายเห็นกวบแก่คณะนึงจะเห็นรอบโลกโลกเต็มไปด้วยควบแก่เห็นความเก็บขณะนิดนึงก็เห็นรอบโลกโลกเต็มไปด้วยควบเก็บเห็นอนิจจังขณะนิดนึงก็เห็นรอบโลกโลกเต็มไปด้วยอนิจจัง เห็นดินขณะคิดหนึ่งก็เต็มไปด้วยก็เห็นโลกรอบหนึ่งโลกเต็มไปด้วยดินเห็นน้ำขณะคิดนึงเห็นรอบโลกโลกเต็มไปด้วยถัดน้ำถัดไฟถัดลมอันไรอันเดียวกันเบิ้ดข่าวสารมันสือว่าสิ่งข้องสงสัยตัดปัญหาจาของสั้นตัวเองมืออื่นเนี่ยมันเสียเงี้ยังอีกกตาด้วยเกาเดียวบังหูุบกันเกาดีแล้วปากกินที่ถอดขี้เอาดาเขาเกาหนีแล้ว เนื้อานมือนี่ไก่ตายก็ม้วนเนื้อหานยตายก็มนเนื้อหาในมือสิว่าเนหาเนี่มันนุ่งคืนไข่โลวันคืนมันสูดจิตชีวิตของสามานนี่มันอิ่มบอกวันคลื่นอิสรับสิท่วามีแต่มือนกับแกงเป็นอาหารของว่นคลื่นวัดเนี่ยซัดทั้งหลายในใจรสชาตินี่อันนี้จะตาความเป็นของเที่ยงทุกกระตาความบรรทุกอันัตตาความเป็นของไม่ใช่ตน เกิขึ้นะด้แปลปวนแต่สลายโน ม, มีอัไหนตั้งนี่ไร ห, หน่อยหนึ่งพ่อหญ้ามแต่ทลายหักมูนเพ่ผพ้าม่างเกิกดขึ้นมา่อไรอันันตั้งตื้อติวมแต่ไรลองเลี้วลงห่องบรนตายสร้างขึ้นมาไอไรอันนั้นตั้งตื้อติวมแต่ไรลองเลี้วลงหอง่องมูนทลายลายชังขันดีห้อยเพ่พันแต่ง ง, งผสมความหลงภูเขาผูกไว้ห่วงเจ้าสะเพิงผ้า ขันปัญญาบ้า ห, หัวเทนนี่มิมีพิษบังวได้ฟังคุ้มถ้ำนําใจจงแกงจิตใจก็เลยแหงแสงพระถ้ำม้วนน้สทรงควบลงไหล น, นับมือกลุ่มกลุ่มเกี่ยวเี่ยวใจขันเดีพิ่จานั่งเตรียมไว้ควบลงไหลไหก็ ค, อคอ่อยถอยออกขันพิ่เจ้าจะเรื่อยจนใจตั้งเทียงถ้ำกำะอาจักนํามาส่างใน่าสงสารนับมือห่างไปแล้วเพราะได้ดวงแกว้วถ้ำพระเจ้าทาเพิ่งบ่องหัวน่ารำชักเถื่อพระนิพานถ้ำเป็นแนย ให้พี่แกหน้าแท้ๆจักเขียนแจ้งแกบใจดอกนาข้าแต่งเอาเองมันบนอย่างนควขั้วพูดไรนี่เอาเขียนเอาเองเฮาเมื่อมันเกิดบ้ามาเฮาก็เขียนโหลดมันเกิดบ้าฟู่งซานมาเฮาเขียนโหลดเฮาเขียนตะยุทพย า, าธิพุทธมันเกิดปีตีบ้ามาบ้าท่ำไก่ก็บ้าโลกเลยดอกสันเมาท่ำไ ก, ก่ก็เมาเราว่าสันเทวังีิ ได้ถ้าได้กับม่นทองโตเพื่อเนย้ตอกไตแล้วลงุวงโฮมคาพ่อแมนดูลื่นหมานเอาะนันทางได้ดาะมือนี่ก็ได้ได้มืออื่นก็ได้ได้มือหืงก็ได้ได้ได้ไร้ได้ไดเขามันกัดง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นตัวใครเป็นพระละหันมาหนึ่งในในทองจะ ก, ก้นันเป็นพระละหันมาแหละสิว่าบวชเทยังก็มีแต่เอาคนกิเลสหรือว่าบวช เสมอทีเรนเลยสิว่าบวเทียงกับเขาสู่พนิพ่านเท่า น, นี้เนี่ยบอกของฉันเอาหลอดว่าขันพวกพิษถ้ากอนมันจิถือบอกพระพุทธเจ้ากอบพิษมากเพราะแห้งขึง้นกันะ ก, กรหมือห่าสัตว์ที่กิ่จังไฮรบเก่งวันนี้เป็นกาะเกตทิ้นไส้เม่ได้กินเขาก็ได้เลยลบยืพักมือก็ได้นะะเพิ่นกับาาบางมากบางมากบางมากบางมากเลเกียนเป็นพระพุทธเจ้าห่อนะแท่นที่ว่าเพิ่นสิเป็นกี่ขาห่อห่อในเฮกหมุดดินอยิดดินคอมุนไวอยู่นี่ อืพระนนอนุนอรุทธะบวนอนยี่สิบห้าัาษาเพราะเพ่งอารมกอากาศินป์จำแสงสว่างกำเว่นไหวในใจเป็นสัญญายี่ทิบห้าัาษา มือห้องนะ่นอนับมือหนึงว่าท่นเบิกไ ฟ, ฟล้างเลยได้เพลินามทอบาแขมกเขือวบวชขม่านอนเล่นเป็นบวชอยู่ในบ้านพ่อแ ม, ก, อ ม, ก, อมก็บหายนนเยนื้อเล่นเหมือนดอกมึงไปหาใช่ไมงอกควายมึงไปใช่ไมอันนั้นไปอันนี้มูอเขาไปห้อยจะได้แอ่มึงยังมานอนเล่เือนนี่เพราะว่าพ่อม่ถ้าบวชว่าหลังห้ามทอบลาแขมกเขียนอนเล่เป็นพมันเป็นปตัวุกได้ก็ได้ พ่อแม่ไม่ใช่ว่าสีเฟ้าห้องหอนมือตายคนตายก็เป็นคนเลี้ยงห้ามากกว่าพ่อแน่ะห้าบวชยุคกับมิชิตอย่างพ่ออย่แม่แต่คือกันเม่ใส่บวมไม่มีสิทธิ์ได้ขันพ่อแม่บุมีผู้เลี้ยงห้าบวชมาแล้วห้าเอาเขาเน่าบาดปลาไฮซันพรวิเน่ยกับว่าเลยปั๊บพาห้าเนียพาจีว่านทอนสบายมากห้าไปซักได้มากส่วนตัวของห้าให้พ่อให้แม่พระพุทธเจ้ากับส่งสารเสวน พระพุทธเจ้าบอก่าอะไรตัดบอร์ธนาคารยัจำมัยังพระพุทธเจ้าเกินมากเพือได้สาตร์ได้เบอทินพอทิมแม่จากศาตร์จากภวะไหนศาสตร์เป็นนกแขกก็ไปหาเขาเ้าหน้ามาให้พ่อให้แม่กินอยู่วัไงชีมันที่รวงรดนุ่นน้ไให้น้าหน้าเขาศสตร์เป็นลิ่ก็าไปหาบกใหม่หัวมันไมยพ่อแม่กินอยู่สาตร์เป็นง้อไปกล้วยหยามันได้งามไปย็นฝ่อไหวให้พ่อให้แม่กิน คือได้ประมาทคุณพ่อขุนแม่เป็นพระกบเจริญเป็นเจ้าเป็นนายกบ็บเจริญเป็นพ่อข่าวพ่อขายกบ่เจริญเมื่อตาติโตปัะธานั่งพุทธท่า น, านทั้งก็โหหน้ากูลาเจ้กรมมันตาเอตมั่งคารมุตมั่งจึงเป็นมงคลอันอุดมดีเถียงแต่พอแต่แม่ยิงแต่แขวแต่ข้างไทยมันจะเป็นมงคลอุดมมันจงไหอืม ถือตีนแทกงปะนั่นเท่านึงถือตีนแท่งแม่ว่าท่านเห็นกับซากแม่ป้าเป้เที่ยทํานแม่ท่านเต้นทึบเพื่อนใจขึงหนึ่งขืงหนึ่งขืงหนึ่งเมื่อท่านโดนแตกทีมมาโลกออกเจนฮวามือตายนัดเห็นกระมองเขากัเห็นกระ ม, มองขื้กันเหะอพ้นอันวด่ดีไปป้าม้อสร้อยเขาตัวเดียวท่านั่นว่าจะแท่ไรตอน เัจะแปลงู้แปลงสมให้มึงเอาปากข้าวเอ้ัสสันมึงแคสตินพันเปปั่มซร้อยเขาซื้อบมันตัวสร้างตอนมั่วตัวนั้นุงไหนเขาว่าเอากลาเอากเพิงมากันมันแหงแ น, น่พัสสันพอเขาวาตัวแห้งหูดังปึงงบึ ง, งับเขาเฮ้ยแล้วเสีเยวพอไปยิงยาเนี่ยับข า, าน่ะปมเขาใส่เอาใส่แฉบแล้วปั่มทั้งตัว ว่ามันน้องเล็กเขาก็ตีมาไข่ล้มแม่งก็ห้องเอเ อ, เอแต่ของซื้อเป็นของสุกสุกสนุกสนุกะ บ, บะกม้มงอให้เขาเออกดข้อให้เขาดึงหางให้เขามึงเขาก็ซอยหลายคนอยู่สุกสุวละะเลยบ่อายุยี่สิบปีตอนนั้นขนาดสมัยนั้นสองพันห้าร้อยยี่สิบสองมันกับมาแปลงหูแปลงสมให้ตัวซะนั่นดิกัคักปานนี่นล่ะย่าอีทานอ่ะใช้เข้มขัดอยู่นี่นั่ง แม่น้ำท่านแต่กระบอกน้ากลดบทเสียกรรมและผลของกรรมจะไปเสื้อย่างทั้งดีก็เห็นอยู่กับศาสตที่ทังชัวก็เห็นอยู่กับศาสตร์เดียวส่วสีห์สัตวก่อนสัน่งย้งบ่าผดเหมือนแห้งสีร้ายเลี่ยเาชื่อเ่รพออยู่ชือ่อดอกหาว่าดีแล้วได้หนยกระร้างได้ร้ายก็ตามปฏิบัติถ้ำพระเจ้านี่ได้โนยจะดีก็เมื่อใด ดก็หายเสียมือเสียเวรเสียชีวิตไปื่อดีก็พลาเจีดทิไปข่าข่าวเดินกรมภาวนาข่าวรักษาศีลภาวนาข่าวไหวท่านรักษาศีลภาวนาข่าวสนใจในี่ยพระพุทธรรมสมกเป็นข่าวเพินเข้าไปสวรรค์ยี่พานก็เป็นข่าวเพลินเนอ่อเข้าไปท่งบดีผลเปนข่าวโตเข้าไปมรหกกับเนข่าวโตคือกัรทะเลาะสองท่เอาโลดวันขึ้นห้องผู้ให ที่ท้องผู้ไหมันแก่ยังพึงถ่ายมันเก็บยางพึงถ่ายมันตายยางพึงถ่ายเข้าเห็นอยู่แหะมันมีอันนั้นมันเปิดบังเนี่ยคนเกิดมาแก่เก็บตายมันกับปิดบังบมเขานมใส่ลงมาเขานอนอยู่น้ามือะเขามาจากอเอกไเ็ดยังยลือายแก่ทีไปซี่ไปรียุส่ือกไอเก็บไปี่ยใส่เลอกอตายไปรี่ยใสพระอรหันต์เพิ่จากไอเพิ่งมาเกิดแก่เก็บตายอีกเพิ่งเขาสู้พันิพานใช มูอเค่าพ่นบยัยญาอ้ายมันจ้งในมาตายยิ่งคือแก้เก็ี้ตายเลยซึ่งอยักอายพ่นไปพ้นล่ะพ้นสามบาลมีมาบางอ่ะพ้นชินั่งคว่นั่งคว่ำให้บาลมีบางแบบพ่นกระสานเอาพื้เขาอย่านี้แล้วคเป็นค้ารหันมาใจในสอนเสือเครจะพ่นจะโรคมาใจในสอนเสือควบพบอุปสรรคมเป็นยาวิเศษห้เบือนายไข้หม้อในวัตาสงคราม อุปสรรคแกอุปสรรคเ็อุปสรรคตายอุปสรรคกินอุปสรรคขอุปสรรคนางอุปสรรคนอนอุปสรรคหิวอุปสรรคอยากเชาละัดอุปสรรคไม่ตายดอกกระาเยนี่มันจริงจะทั้งบ่มันบ่าเที่ยงเหระทุกขังอรียสัจจังกริีญาตยนท่เม่พิคโควเอที่นี่หน้าหิ้งเลือกอะไรจะโกเก่าอ่ะกรณีญาติทันทิเม่พิคโคเอเาพี่ทหน้าิ่งเนี่ยประหารกับทันทิเม่จงเว้นเซเดอร์เว้นควกเขาจะพิเซเดอว่ามันเป็นทุกว่าจะเสนะ สัตยิกาสัพพันติเมสัตยิกาตันต้ากันท่าไขแกงในคันทาชั้นดานเด้อวะสัตยิสัติกาตัตานธินนนเมเราทาไข่แกงแล้วสัตยิองได้มากเขาบอสเถ้าใบจั๊กหมากรรอกอนพระพุทธเจ้าเถ้ า, ากกันจะกตังพรวัที่ตังอภิาิาหัวมันเทาะตายไปแล้วสีใกล้ดักใกลเดียร์ตุภูตตุแม่ก็ไม่คือกันนะสัตย คนเท่าซ <là> <Conan> ีออย่างฉันมันเป็นที่สบายของห้องของแมนเหรอวะมัดฝนว่าเป็นที่สบายที่หรอพัฝนว่าฝนที่เอามาคืนเตีแต่ว่านาบเอามนนั่นนะป่าวาอยู่ตัวเราเนี่ยหัวมันตายแล้วมันถึเป็นยังกระซ่างหัวมันการยมศิวันวาดต๊ปลาอ้อยไปกินอ้อยหวานเนี่ยพุ่นของฉันคันว่าของฉันเป็นที่เย็นใจของบวลาคันเนี่ก็ว่าอะไซื้อๆมันเป็นที่เย็นใจเนี่ยฮะบ้พ่อสิยอมเนี่ยหะว่าให้ขนหัวเหรียญซื้อๆได้หรอฮะว่าให้แพรคข้นซื้อๆได้หระถ้าไม่แท้ ใจกับของวสมัยได้หรืว่าแล้วก็ได้นั่นพุกคนไฮรีชิดคือเขาว่าจังหันั้นมันเป็นที่สมายมันเป็นที่รอนใจได้ของเมีนยนบอกมันบวกพวกวกคนเอาขึ้นมาคึ้นยื่นที่ละห้อเนี่ตามบุญตามกรรมรอยหนำพวกกวกมันกระชมที่ร้อยหนำพวกกวกตามบุญตามกรรมรอมองระบบท่าชี้ก็คืตามบุญตามกรรมสมอ ก็่ตนองงงใช่ไหมบุราญคนเราลูกลูก่อนเขาสัย่าเราอ้วนอยากจะนอนร่ำไรลืมข้องเหลือหล่นเขาที่ไม่จกคนโคเลศการเสลาง มันเป็นธรรมะมืดมานนอมมาลูกลูกถอนเขาสิหยาด อ, อ้วนให้ผ้ากันรีบปฏิบัติถิ่นถ้มของพระองค์เจ้ายันที่ากันนอ่นรับหลายยื่นข้องแล้วล่นนั่นใจเขาที่มาเจ้คนโคเล่ทั้งตาลางพยามวัตจุฬาถิ่มาเอาไปตายลกไสขีนหนอนหนอมมาเปลี่ยนป็ละมากระไรเือการข้ามโบรานเราทั้งคิดทั้งใจเด้ มาลูงพายคืนชูเวหาแร่แดูยมนาไรฝาดฟ้องเพื่อนป่งนี่จะตัว่อทั้งสตัวี่ตัวพวกกินตะกั ว, วอีแตงกะระเกตขีมามันี่กล่าวขผู้ชิดสูงมันยุทงสูงหเหลือวบังสัดโรกทั้งหลายฝาดฟ้องเพื่อนป่งน้าเวน้ำไผ่เยะอุปมาคือพาาระหันเหลีบังไตรโลกทามาลูกพายคือชูเวหารย่มมะนาไรฝาดฟ้องเพื่อนป่ง กิเลสตัณหาเนี่ยย่อมะลายอย่ะงนาทีตัณหาสมานนาทีไหมนะเส ม, มอตัณหาในนี้ผู้เขาขันหิ้งกันทร์พันจองเพื่อนผู้เขาขันหิ้งกันทร์พันจอง ผู้เขาผู้เล่าสัตวเท่งยงัมาทิพจึนขมว่อถามผู้เขาผู้เล่าพระอริยาเจ้าขมผู้เขาผู้เล่าไปลาแล้วเขาซู้อเพลนาพาดจ้ามูหอมันอุปมาคือลอยในน้ำทะเลนี่ผมแมผมแก็มันเลยกินน้ำทิีิย์จีนทิพย์จนี ในที่กอ้อที่พึ่งพ่อไปพัพที่กอ้กอนั่นก้อนนี้เนี่เดินทางซาปาอีรซารุนโอ้ยแม่แบบคนเป็ น, ป น, ปนวัฒนาแก้แล้วอะท่านห่อกสิ น, นอนจมน่องหมันแก่้วยท่นบอกห่กระตังนองตรงยามันมันแก่ด้วยไซโนึง่ะนลังพระเจ้าของห้อง่นาสองแฉวเฮือนมูคนทั้นึง ผู้นึงพนไปส้วนสาธทุกตาผูน้นพระสิเลี่ยงพระพระสิรัตก็องเว้ยมูพ่นกระลับไปแล้วพู้นั่นหนึ่งพุ่นนี่หนึ่งพุ่นี่หนึ่งอานตัวบ่ราบบ่มอง่าสันไหใช่ทุกตาน่ะไปส้วนกันสิรัตก็แฉยยิบกับบนเข้านี้่าสันยังฮักตัวกินหยัง่งมาสันตัวกินเขา้าเขานี้มาัน ต, นตัวกินเนื้ตัวกระทก น, นั่นชัวร์มาสัน เชียวไว้ไว้สันหอบมียั ง, งกกามนนส า, า, าสันยังโตขาว่ามีตัวเนื้วยกุศลกินท่านเ้าได้สางไว้เชียวเอ้ยไว้สันห้อบะมี่ถึงป่านนี้เ้อก็ยังสีบเรารู้ตัวที่บอกไวาสันห้งบมีตัวแหงเห็ดสัน้มีหน่อยเ้าก็เห็ดหน่อยเ้ากินนะหก็ท า, านาเะเม็ดหนึ่งก็สียเพอไะไรเขาคันตเขากินเขาข้ามหนึ่งเคืขงข้มตัวที่ท่านวไ่ได้ ก็เจาะจักเทกจะไปพราพาฟูน้เสียผีดอกว้ว่าสันพราะในเงินคือปูซือปลาคือเขาซืนังมาว่าสันกสลากไไปกะถิบข้าเจาอันนี้ดีใจพัสสันเล่าฮะเดี๋ยวนี่เงี้ยอแฉลอนนักซื้อเอาปลาตะเพียนน้าเขาหุ่นมาเลยพญ่าอินพญ่าพมเห็นว่าซืกอไสสุกกาตาเพิ่กับนี่ละมิด เอาของหอมของอยังมาใช้หม้ออาหารของใส่ทุกระจาบหอมกลุ่มบ้านกลุ่มเมืองด้วยภาวนาเนี่ยอันนี้ภาวนาค่ะนี่ยืนพระวัดไ่ได้ยืมพวกไรค่ะนี่ด่านภาวนาม่ ม, มาเฉลี่ยตการบริจาคมภาวนาตรยการภาวนาทานไม่ามาเฉ็ีตรการบริจาคทา ศีลำไมมันเร็จยการรักษาศีลภาวนาไม่มาเส็จ ah ้วยการเจริญภาวนาอปัจายน้ำไมมันเ็จยการพฤตอมตนแก่ผู้ใหญ่ก็เป็นบุญกอนึลยเวียร์ยาวัจจะไมมาเสด็จยการเกี่ยวคนไขยในจิตที่ชอบพัฒนานำไมมันเร็จโดยการให้ส่วนบุญถมุลแล้วให้ส่วนบุญปูนปัตตานุโธธนาไม่มาเร็จ้วยการอนุโมทนาส่วนบุญอนุโมทนาส่วนบุญอธวะอนุโมทนาโดยคิดโดยใจโมมีอมิตพร้อมเยังในบุญอยู่ ธรรมเทสนาหมายมืแสดงด้วยการแสดงธรรมธรรมสเจ้านาหมายมือแดง้วยการฟังธรรมทิฏฐุจุกรรมการทำความเห็นให้ตรงเห็นว่าบาปมีบุญนี่มันก็เป็นบุญกองหนึ่งแล้ดิก็มีใช่บุญคู่นบุญบาปคู่นบาปทั้งแล้วคัจจัดได้ละมือละมือนี่ได้มือละซีกับปุนอะได้มาหาขันอะ พวกนี้เด็พัดหลายกับกับไงอันนั่นกับกับหนึ่งอันนี้กับลับหนึ่งหลายกับแล้วกับแล้วพวกคนทุกคนตัวฮะในเดือยนึงเลยก็กลับมาไที่สามเปนี่สิบสอง0อยยี่สิบเอา12สิบสองมาคูดอีกดูฮะนเจ็ดสองสองมันยี่สิบสี สิบสองหนึ hour, like like like Fo so ่งเป็นสิบสองเป็นสิบสามสิบสี่หนึ่งันสี่รอยี่สิบกับบ่ปีหนึ่งท่านี่นอกจาข่งกันมันยังไม่อีกยดแค่นี่เดือนธุดงค์พาอวันหน้ามุ่นเนี่ยขวดเวทกวดฐานมุ่นนี่แค่นี้เรเชวัดมุ่นอ่ะปัดกวดร้านวัดปัดกวดฐานมุ่นอ่นี่แค่นี้ปัดขวดกุฏิวิหารมุ่นรักษาภัยกีวอนมุ่นนี้แค่นี้วินทบาทเป็นวัดมุ่นอันี้แค่นี้ อันนันนี่อันนี้รียก่ว ง, งกันล่ว ง, งกันก็ร้ายนตัวเขาขายของซื้อสุราือกันบ่นใบละห้ารยบาทเขาบ่กเอาดอกเขาวางสั่นเหมาะเเอาไปแต่ใบละบาทซือกันเน่ยน่าแมนี็นหน้าที่เขาจะพหน้าทั้งกันละ หนึ่งนั่งซื้ออายันตะคุดคุบเห้วกรรมฐานเน่ยพนนไห่ห้าองหนึ่งห้าเถียงอายันตะคุบมันนีหนั่งซื้อสมัยน่ะนั่งซื้อภาษีอา่านมาสิพ้นเสีเอาทรัพย์ได้ดินชินได้นามมหาาะห้ยกระสันพยัญช้ะธมิกลากระสัน ตเราบลงค่นี่วครูอาจารย์ในเพื่อนนี่สมัยประเทศสั่นนบวลงได้หนิวาคืน่ใจเพราะงี้ที่มักทามอกราชคือต่อเือไหวเห็นันกิดใจไล้ควบคู่เพื่อตรงข้ามเป็นเอกกราชไปทั้งัวมันก็ตัวทนตัวปเอกกราชไปทั้งดีมันก็ดีทันตัเนี่ถ้ากรรมฐานก็ตมว่าสี่เดืเนี่ยวันสันจบเสแ่ยงตัวเงสงคิดถามบวบออก คนที่เอาทมดินสินในนา ม, มาาไม่หาข้าท้าเฮ็ดดีกัเอกราชจ่างดีเขาเฮ็ดตัวกับเอกราชจางตัวขึนกัทัาานแล้วาอาจารย์วังองค์ผ้าเขาัญหาเรียกไรห่วยสร้างมณีสีทแล้วขาท่าเท่าเราเปลกวามื่อยายยังลงเท่าสมือยู่แล เมตังจันทร์จะขาดไปทางเสยศาสตร์เนอแล้วกาลวัตสูตรก็มีอยู่ในสาราการเวิาสูตรก็มีอยู่ในพวกมชลสูตรก็มีอยู่ไม่ใช่พวมชันเบื้องต้นพวกปืนกะตายยอนปืนน่ะถาแขนข้อยาอยางงมีอยู่ตามห้องไฟนี่ทางไีมันก็ต่ไปทังนั้นตามเรื่องหองอกมัน ะโมคขลาฮ้องเฮือเดินอากาศได้มาฮาทิตายก็ตายย่างข้อนขอเขาเนี่ยนี่ผสือไทยกำแลงนักเอกข่าเนี่ยเขาก็ถามมากขึ้นกานพระเจ้าพิพิสารเป็นพูดเป็นพูดถึงพระโสดาบันแล้วเป็นยังจังพวกข่าพโมกัล่านะีโจรหารอย เังนันจึงเอาเขาไปทาไปฟังไเพราเพียงเดี๋ยวนี่ก็พรเพียงข้อเขามีเอาทยเล็กไถจูนหาลอยนเพราจนหาอยแต่ออกปากอยู่ในรงทุล่าเขาเลยจับได้ไปเรียนฐาในร่องซูล่าพวกเรียนละทีเขาจับอย่างขาพระโมกขล่าเนี่ศาสนาพระพุพระโรมก็สียบดังนาครัพอพระโ ม, มกลโมขล่านี่เมื่อึ้น ไปเมื่อฝ่าเมื่อแขนก็นไนแ้วเนี่เมื่อออกหอยปลาทาส้นฟัง่งเขากระเรีอมใสจาสนาพะโคหลมตี้แล้วเน่ยพวกที่ปงที่เปื่อยน่ะของอื่นนข่าวพระโมกขา ล, าล่าใช่ไหมไปขาวขั้งที่นเพิ่นกับฮ้อนีน้ช่ไมปาคขั้งที่สองเพิ่งกับฮ้อนี้ขั้งที่สามนี่เพิ่นรูว้ว่าบุพกา ร, รมของคนเอกเสร็จกับมั่นด่ามา กำข้อมันดานำตามที่น้องเพื่อนยอมาเขาขากับท่านพระราชาพระพุทธเจ้าเพี่ยงว่าหล่อร่วงไปแม่ไปปล่อยซื้อแต่ว่าท่านใน้่ปล่อยเอาขึ้นมาอยู่ก็นังกำมันยังตามไปหอจนทั้งหอดพรนิพานทั้งห้ามโมหะอในยนี้คิวฤาษีตาใส้ได้ปีนสกปินตาต่างมัดต่กง้วยใส้หน่ห้วย มันจะหาไปบ่ไหวแล้วรอบมันระบเก่าจะทานพี่นี่ผู้นี่เพระนี่เฮิเพื่อได้ลูกหลานจะไปเห็ดเนอบาปหลายจะได้เฮติพอชเม่คือดวงพมกัล่าแม่ของพนว่าได้เดือมใสได้พระพุทธศาสนาดีดีเพื่อนกันย่งหาอุบายเพื่อนกันย่างข้ารหลบโยกคุณแม่เลยคุณโยกแม่เลยขามาตั้มมาตั้บั้งน้อยน้อยนี่เพื่อนเลาบั้งบั้งบั้งบ่อยมันปักตูหันว่าไปให้บั้งไงหรอกมันอย่างมันวัดมันเม่แห่งอย่าง หูเม่ใครพ่อมาตอบเขแป๊กนะว่าพุทธหิวานาโมหรือด้วยว่าับางห้าจะจำยีปอดก็เนเี่เพราะว่าขาดไปตำเด็กปานั้นเพื่อยังบุประมาเม่เพิ่นเพิ่อยังเขารลบเม่เต็มพู่มอยู่บอกว่าสั่นว่าเพื่อเป็นผู้บางคือเก่าผู้เหลี่ยงมากแล้วพุทธเจ้า เป็นคนหาฟื้นขายขมือได้ไดมือละ1ิบสองสตางค์ะแบ่งออกเป็นที่พูดพูดละ 3, สามสตางค์ที่สามเป็นสิบสองแล้วเอาไปใช้นี้ให้แม่ให้พอ่อเอาไปให้งูเห่าให้มีอถไรให้บ่ได้บ่เห่าพอฟอ ล้วเอาไปใส่ทิมเซทเทเร่หลวงซุ้มหนึ่งทิมเสียปากเอาไปฝากข้างซุ้มหนึ่งเพื่อไปท่าบุญในประศาชนานะเบอร์ทิมถูกซึงปานนั่นกันมูห้องเลยล่องเลยหาฟืนขายเลยประวัติพอแม่เด้หรอว่ามีนุ่ น, น, ม, นมีมอดดอกอยังไงกูเพราะว่ามึงเห็ดกูออกมาเห็นยังแต่เด้ไปเชนั่นเด้สมัยส ม, มือเนี่ย อ้ฮาดูขึ้นหยาดนี่แต่ชุดท่อตายหมดเนี่ขึ้นยาก6จิ๊กโ ก, ก๋จิก๊กเกอโรงหลานนี่คนนั้นเขาที่กัดกันกินมขึ้นมานี่ยนะว่าบ่งหงจยากคนอคนเมล่ล่ะพูดนั้นไหนมูง่งไหนพูดนั้นตี้เลี้ยงเพราะเพราะว่าตัวนี้ขาย 2,000 2โมเมนบ่มีชิดแต่เขาบอเราก็ไม่มีชิดคือกันตัวหมอสั่ มีชิดจะพูดได้มุ่นตัวว่าไรบ่มุ่นเขาพูดที่เจ้าว่าทีเห็นถิ่นพื้นกูจนในหาพื้นขายพอแมีกูบ่ เ, เห็นมีเงี้ให้กูเพิ่นบ่ได้วาเลยพขาสองแกนสองหัวหนึ่งเพิ่นอย่างไงล่ะเล่านี่ยบ่ได้ยิ่งแกวยิ่งข้างแต่พอทำไมจับตือหรอกเมียเกลียในห้ามว่าบ่ได้ด่าร้ายหรอกว่าเราฝนมหาอุบายมหาอุบายเข้าใจดี บักนาโคดโลดบักนาวม็มีมุ้มี่เกยสัดาสุดทะละขันดาแล้วเห็นเลี้ยวบางมูอเขาเห็หัวรับหลังห้องเหเ็นยนเาเทาเขียบเนหนเทาอุบายบอกําเส็จแล้วห้องเช้าวนี้ใส่ในเ ห, เห้องพอห้องหัวบัวยังหัยเตื้อพี่ชายมุนเนี่ยนั่นขันวายังได้สูงเท่านั้นแหละกะเป็นแบบนี้ตัวอีกอย่างนีัยาเท้าเขียบเท้าอุบายบอกให้เขาใจดียู้จักล ใชบ้านใช่เงนซุ้มยู่ใส่ใจเขหัวหลอกซุ้มลูกนองสาวแม่เขหัวหลอกเขาก็ดหัว ม, มาให้ตัวอีกข้าวเข็ยนมันจะมันหัวตาายยังก่ากว่าเ็ตัวอ้ายก้เเขาอีกขาวเขาอีกกรมเขา เ, าาเลี้ยงมาแม่ป่าว่าห้มันเันแขงแม่ป่าด่ามันแั้วกิดเขเขาหัวหลอกนี่แม่ป่าเขาด่าเลยเท่านั้นหละเ <c oughs> นี่ยแล้วไม่ได้สีมาขามาตีก็เอียพ่อขื่นกัน คือเห็นพอเห็นแม่มากนี่ถ้าไห้ยิดใจนักน่วงนะพระพุทธศาสนาะนั่เลียกพี่น้องเลยคือเห็นคุณพอคุณแม่เนี่ยห้านังพาวานาเนี่ยบ่ตทอพนังอยู่กล่ำสำั่มไดพอเถอหนะย่านเ่คือบ้านคือเมื อ, องพเพลนอาเมืองต่างระดัห้าพัน้หาหนึ่ประหาตะปามากผู้แม่ห้อง เป็นภูเห็ดของแหงอยู่บาทวุบายไรลูกเต่ากุชิดายุได้กิ่นย่านบกคือบานคือเมืองเพล่ห้าดังเชื่อกกับเป็นขีเป็นมีขีเสียเพล่มาเรียงลูกแล้วเต่าสารพันละภาคหัวใจห่อนหัวหัวใจแขนอมาทุกขุนพิทุกขุนเพื่อนั้ประมาทแม่ทุกขุนพิทุกขุนกับประมาทเพราะพุทธธรรมประสงค์อันเดียวกันพอาะรเทียบเหมือนคุนพระละหัน์ เหตุนั้นสร้าหลวงปู่มหาบัวเพื่อนจะเอาแม่เพื่อนไปบวชน้ำเขาเรียกว่าเป็นถ้ำพระอาจารย์ทิ้งท่อของมุนแม่ไปบวชน้ำพระอาจารย์เฮือกของมุนเอาพ่อไปบวชน้ำแม่ก็มาตายค้าวนีละ ห้าเข้ารบเมย์ห้าเข้าลบพ่อห้าเข้ารบทีท่ศุดเด้แคบทีแล้วเ้าไปอาศัยกินน้ำเมีย่ยห้าปรย่ายัเมี่ยเด้หน้ากับมันทองเขากล้วยกัมันทองเขาอันนี้กัมันทองเขาแต่เห็นหน้าเขากาเก่าวัดเ้าคนทีโกงวอยดกเลยพวกขดหยันเมีย่ยในห้าพอไปยา ม, มาสิมาซ่อมซ่อมเมีย่ยอีกแม่เขาเพราะว่า ก็ขเขาหายาไอปูเมื่อเนี่ยไปราปูมาบานใ น, าในเผ่ายาในเผ่าเสือตายดอกก็ซ่อมข้อแม่ไปยามบ้านต้องซ่อมต้ซ่อมหลูกซ่อมเนี่ยมันถ้ถามาาย่างยาังไรใส่พอใแม่วัวสัน่นใบยอมได้หอกคิถีบใ่อของก็ะ อ, อ, อ, อนยเลยบลูพ่นมไรได้เทียไปอาศัยเขากินในบ้านครับอาศัยนอนของเขาอยอะด้วย อันนี้ก็ยืดลเขาอีกด้วยฮนี่โตวัตเนี่ยอายังมีแต่เงินแจงเท่านั้นกินน้ำเขาปนนี้กินกิ่งงงด้วยเะฮะแต่ว่าข้าวของบ่มันเป็นคนขีดข้านี่อันนี้เช็ดเนื้อเขาบัดเขาโลกาเลยผู้ซีซีพอแต่แปดิีปุ่นเนื้อเขาเม่แล้วเขาเลยปล่อยฮเนี่ยหรือพ้าป่านข้าเป็นเป็นพอเฮื้ออรอขาวประเทยังเขาให่ใหญบัดร่านป่าเข้าเป็นลูกทายเขาลองท่านว่าพูงไงคับผู้ม เอาของไปหัพ่อให้แม่ห้ามันบานางลงเ้ามป่วยยอมบอกนางลง่งเอาไปย็นให้คือเชี่ยวเนี่ยว่เอาฝุ่นไอ้มันคนซื่อคอนแม่บักเสาท่านสลายมันค้นขีดโก่งอย่างคนซื่อซื่อขดาดหลักไปเยอเห้ามป่วยทค่นหนึ่งเข้ามาเมียนขี่ห้าเอามกอบเอามื อ, อมยังห้เาเกิดมานะ เป็นกำลังใจของงานปฏิบัติธรรมคือการคือทังพ่อถึงแม่ก็เป็นกำลังใจของการปฏิบัติธรรมคังผู้ใหญ่พี่นองก็เป็นกำลังใจของปฏิบัติธรรมคือทังพี่ทั้งน้องก็เป็นกำลังใจปฏิบัติธรรมพี่น้องูดได้พูดได้พูดได้พูดได้พูดได้ถ้าพุ่นนะเขาเชื่อได้บัสพี่น้องทัง า, าตลอดทั้งเท่าพุ้ใหญาบา่บ้านตลอดทั้งพุ่เท่ากำนังกำลังท่ากำนัตุล การละลึกถึงบุญั้งกคนๆเน่ยคนพูหนึ่งพูดหนึ่งคันท่า บ, บุญท่าพนกระเพ้ามีอยู่พอลล่กยมันเห็นเนาะอันนี้วิธีระงับโทษสะวิธีระงับวามขี่หงเป็นที่สบายท่ใหข่น้าลวลึกถึงกุคน ผู้นนก็เป็นนิสัยผู้นั้นก็เป็นชีวอันเพ่งสวดข้านมร่วงขันเป็นที่สบายคิดใจเขาหลวงสันว่าบูลีร่านพนาพนกโคตรห้องสุกเสือเนือใจแบบเบาล่องน่นพาพนาวันเมื่อนื้อสะดวกผู้นั้นตั้งใจ่าหนาพี่น้องเลย ไปเคยภาวนาเน้่ก็นํามานัานานา่นละลงไอหมูนี่วอาไปกินนักก้าเพื่อหาปลุกชัท่าเลื่องใช้พระพุทธศาสนาชื่อดอกกันเพื่ออาห า, า, า, า่าภาวนามาหายมันได้อันกเดียร์วาสันเพราะมันเป็นอาหารหัวใจรรพระองค์เจ้ารัตสรู้แล้วเนี่ยวัชานอาหารสี่ิเกาวัน สันเขานั่งสุดธดาเนีพิคนแบงออกเป็ น, นป ท, ววที่สิบเก้าค่ำเพิคนไปพักสวยมุดที่สุขิวันละเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดเจ็ดเป็นทีสบเก้าวันรัชนาจงกลมจีดีเ น, นี่ยเดินจกลมมีกเจ็ดวันเจ็ดขึ้นพรเกิดปีทิวาโตพ่นจากขีดเอตอาสาวะแล่อม่นมีเงาเหลือ นั่นนี้ เ, เขาทั้งยกกลมปานไวจุงไวไสแอกข้อต่อแอกทิมกลออกพ้อมไผนาไผ่ลักไปกวาดแก่แกย่อหันแหละ <c oughs> มันไก่พันธุ้เ ม, มื่ห่อมือหนึ่งขึ้นหนึ่งพระองค์จะห้อเลยนอนํำไหนเขาพระอนานนท์กับขอ้อพอหมาสัง่งถามีพุทธบริษัทมาในที่ตนซีลขให้ข้าพเจ้าขอเฝ้าได้พราเขาสิดูสูงนี่ท่าข้าพเจ้า เขามาทางไกลเพราฉะนั้นเทศจุดบนไดเนี่ยรับล้างข้าพเจ้าฟังว่างข้าพเจ้าฟังแหมฮะเพราะฉะนั้นให้จุดข้าพเจ้าฟังจีวรอันปฏิญติยังให้ข้าพเจ้าเพราะฉะั้นเขาสะดูถูเลี้ยท่าข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าปฏิบัติพระพุทธเถ่องหวังกีวรอันปฏิีราะั้นอาหารอันปฏีก็ยังให้ข้าพเจ้าเราะฉะั้นถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะปารนาเป็นพุทธอุปถาคมาก หลายาหลายพก็จริงครพเจ้าขอพ่อนทรัมอีกเหตุฉันัคนยังไงรับยกย่องมีคติเป็นพระพุทสูตรเป็นผู้พุทธอุปถาเป็นผู้มีคติเรรับยกย่องรับขโม่สามข้อฝ่าโน่นมือห่อพันกินข้าวกอนพรทานในพนทุกข์พนอยากรับยกย่องอยรับยกย่องนอตื่นสวยมูห่อเหมือนบอกชี้มืีตาเไปเป็นทบาทบ ไหวพระเข้าบ um ่ได um um ้ไหวเงี้ยเข้าปไหนได้เขานโมเมธะพระพุทธแนั่งขอไหวพระพุทธเจ้าทั้งหลายนโมเมธะพระพุทธมานั่งขอไหวพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นทั้งหลายนโมเมธะพระสังขานั่งขอไหวพระดิอสงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วนั่นนโมอิมุตานั่งนโมอิมุติยาขอไหวถ้ามันลดพ้นว่าได้หวังไหวพ่อเป็นพิธีดอก หลังเผื่อลดผลนวัตาสงสารในปัจจุบันใคิจปัจจุบันนธรรมปัจจุบันนศาสตร์นีบ้านาเาทิศถวัดย่อถ้าเขาอยากธรพิสดานะถาธรรมพิสดารเขาก็มาสงสัยอิิปิโสโขตสวระิทปโนก็ดีจะกว่าย่อเขาก็มาสงสัยในเข้าจกว่าพิสดานเาก็สงสัยในเ้าจะรับเ่าว่าเดี๋ยวดมูวก็มีข้อหมายอันเดียวว่าย่อวาพิสดาก็ได้หวังเพื่อาในพานของเขา่ข ไหวพุทโธทำโมสังโกนี่พ้านั่งโหลดเท่าไหวพระพุทธลบก็ได้ไหวพรัพนมนอนก็ได้เมื่อใดไหวพุเป็นพิธีเมื่อใดรอกินขนมเมื่อใดหวังเพื่อฝนุกในวัดตาสงศารเฮ็ดของน้อยเฮ็ดของเข้มเอาเท่าเป็นอันแสนเอาอะอมียังสนั่นเดินจงกรมเพื่อพ้าหน้าใหกันเดินาเดินเรีวเดินยังแต่หวังฝนุกในวัตทงสารโหลดชือว่าพุทโธก็ได้ ขาวน้าพ so e. ุทโทษดิาวหน้าจนถึงอนัตตาพุ้นก็ได้อนาตตาพุ่นอันบ่มีโทษมาเจือเป็นโรคตลกุ่นมันเปบนโลคเียบพุ่นขาวหน้าข้าวมองอหารก็คือกันพุ่มมาถาบ่มันใส่มาบ่มบุกพ่นาอย่างบ่มีเลีในไม่ไพ่ถ้ามันบ่มีเลร้นไม่ไพ่เป็นอนัตตาถาบ่มีเลี้นไม่พ่เป็นอนัตตาถ้ามันบ่มีเลี้นไม่พเป็นพุ่มมาถ้ามันบ่มีเลี้นไม่ไพ่้าวปกที่เียหน้าลงถึงอนัตตาเยเหมือนกันกรรมฐานจะระยะระยง ถึงได้วัดอาธุพ่างถื อ, อกันรถมันสัดเป็นมันบุกคนของป่วยของเน o นัสกสกปรกใร่างกายเต็มไปด้วยมุดและพูดพี่แง่ลงทั้งอณาตาคือกันล่ะได้คือกันข ม, มันท้องเขามันจิเปื่อยเชียร์เอาบ่ขมันทอ้องเขามันกระตัพร้อมคืออสบู่นกแก้วหรือทอตัวสัน ขมักบอสัของเปื่อยของเหลวของเหม็นมันกับโมเมนต์ของเฮ้าตัวมันจงเปลี่นสันวะขบงของเฮ้าของเฮ้าตามสมุดสิงตามสมุดอยู่ส่วนพลัา น, นมันโมเมนต์ที่ไรฮะเ น, นี่ยนัย่นกายนานาคอ น, นเหลืยให้มันดีนี่ขงบงลงหนังก็บบัวแนวลงอะไรใต่โลกระถางหุจ้างนั้ห น, นุนจ้างวัดขบงลงหนัน ง, ง, น ง, งนนก็บบัลงละเยกบมวขอดกายบวง แลว ง, งม้มปลาหนอกแหะแหะวาน่ะบ น, นึไปนนงมบนหนึ่งผุนแหะคือหนังหนังหุ่มอยู่โดยรอบนี่แหะ ง, ง้มยู่ในนี่ได้ปลาเขาใหญ่นะ่ะฮักโปแท่งก่ออุ ป, ปมาวาพี่จ๊หน้าอยู่หนังหุ่มอยู่นี่ล่ะคนทั้งหลายมันหลงหนังเพื่อนพยยย่อใหญ่คิตลาดจหน้าตางไว้ผู้ดังกังปอ ง, งแปลง ตาม่นทว่านนักทวัานเบาโม่งา น, าานาต่างเพื่อนพญยาจยิตลาดน่องล้มส่องท้ายอาหารทายเทของเ พ, พยยิ่นพญาจีตลาดเพิ่มาเฝ้าห้างกระดูกนีก่พุชักวิชักพบจกักศาส่ะใครบอกใส้เพิ่นมาจากจฟังว่าเพิาา่นสลาดท่าไปแทะหรืว่าเฝ้าห้างกระดูกดูเอาห้างกระดูกเป็นเพื่อนเป็นซ่านพญาจีตตลาด เคบอทางไหนบรอยากลงคึงยืงขึงยืงขึงยืงนี่ท oh ่านทีละเเพิ ROI ่ว่าว่าเพิ่งว่าทีเอามัดง่ายๆแค่ตัวเท่านี้โอ้ยของเดือดจะกลมเลี้ยบกบกบุวงยก่าก็ะขนดีขออากาศดีสั่นขอเสาขอบกฮวงเลยสั่นเป็นเพดเสาฮวมันยังมหันแมนไอสิลาเป็นเพดเสาห้างกระดูกมันแฮ้งใกล้กบกบฮวงนี่ว มั้เป็นสตอรอยี่งนชิล่เดี๋ยวนี้พอวโยค่ายเด้ยระ แ, แ, แต่พี่จะน่าห้างกระดูกเลเอา่ไม่น้าพี่จะน่าพวกนี้นี่ยน้อยนักทังห้างกระดู ก, ก, นน ก, ดกล่ะเือนึึงเจ้าคณะแข็งกวนนี่ที่พ อ, พ อ, พอว่าพตื่นเต้นมากหอวใจบอเจ้าคณะแข่ง เพราะว่าหน้ามันดีเนี่ยนุชไทยฮก็บริสุทธิ์เท่านันม่ใช่ยังก็ป่านนี้นอยงอยังกอเนีย่ยเนี่ยนุกสทยคำันพี่ก็ น, น่า้ระหลงเหรอเอาขลุกหล้อผีเนี่ยแขนข้อก็มีอยู่อนหนึ่งของเนปานท่านแซตเอามาแขนข้อเดือนคมสั่ น, อนเอาก็ น, นอนกอดขอลุกหล้อผีเนี่มีอยู่ นี ER ่สมมติว่าผู้สาวอะสนอกสมมติดมแก้มมั่นดมกลุ่มของผีเก็บเหี้ยมาน่ะตามันแ่งนงามรูอางม่างนุ่นเขาดังมากกับจะปองนุ่นแต่พอเอาไปเนี่ยมันบ่ได้มันบ่มักมันมาคายกับตะเอาใใช่มันมันบ่มักสุภาพดิงกิเลมันหยาบตเอาไว้หยาบใช้มัน ใช่จะของผู้อื้นว่าหายมันเครียดเท่านาเท่ า, า, าเอาจำบเครียดผู้อืดาเทาเทาเครียดเท่านาเท่ า, า, า, า, าอ เ, เอามันจำบกเครียดเอาละเว้ยบาทนี้เว้ยเราว่าน่าของใครของบ้านอะป่ะก็แก่เกขาโกลนพราะล่นหัวออกเหนกะของเกา่ากันก็ปั่นกูตอกว่ลุกเขาโกน นโมโตเกาีาวน่าเห็นกันมองมองแง่งเยถ้าตายไปจักพายจะไปอยู่บนไนบาล่ะฮของพายของมันเนีบาตรเนี่วยเรื่องว่ากันก็กองแกะสัญยาบุีรละตายไปแ้ของพายของมันเนี่ยบาตรเนี้ยหนมันบนัตรไมเมื่องเพื่ร ล, ละ่ะมาอยู่โข้าวพอปฏิบัติแต่มืง